วันนี้เราเริ่มด้วยวิชาสรรค์่าสร้างคนวันนี้ชื่อว่าวิชาสรรค์ค่าสร้างคนก็เกินนำมาตอนต้นสักก่อนก่อนจะได้ เป็นเรื่องเป็นราวเป็นวิชาการเป็นสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของอะไร อ, อะไรลึกซึ้งนักก็ต้องนำมาเกริ่นกล่าวมาตน้ตนๆ้นอะไรมาก่อนคนเราเนี่ยเป็นธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน รวมกันเป็นมนุษย์โคลงนะแต่ไหนแต่ไรามานะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์โคลงไม่ใช่มนุษย์เขาจัดอยู่ในพวกสัตว์โคลงไม่ได้อยู่ในพวกมนุษย์สัตว์เดียวซึ่งมีแต่ครอบครัวของตนเองเท่านั้นนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับใครมากมาย แต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์โคลงที่อยู่กันอย่างสัมพันธ์กันอยู่กันอย่างเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นมวลแล้วก็อยู่กันอย่างมีระบบมามีระบบเป็นระบบสัญชาตญาณสัตว์อื่นใดๆเหมือนกับว่าสัตว์โคลงก็ก็อยู่กันอย่างสัญชาตญาณมนุษย์นั้นมี มีการอยู่กันอย่างมีระบบที่มีความรู้มีปัญญามีจิตวิญญาณที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากมายกว่ามนุษย์ขอไปมากกว่าเดรัจฉานหรือเมื่อมากกว่าสัตว์สัตว์ต่างๆสัตว์สารพัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมนุษย์นี่มีมีอะไรที่พิเศษแตกต่าง ที่จริงอาตมาไม่ต้องพูดก็รู้กันหรอกอะไรที่พูดไปเนี่ยนำไปเท่านั้นนะ่ะตามสัจธรรมนะความจริงไม่ต้องพูดคุณรู้กันดีแต่ก็พูดนำให้มันเป็นเรื่องให้มันเป็นความครบคันให้มันเป็นสิ่งที่ประกอบปริสัจจนะเพราะงั้นเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากจะเป็นสัตว์โคลงที่อยู่กันอย่างมีความคิดนึกหรือมีระบบมีอะไรตอะไรต่างๆนานา สูงกว่าสัตว์เบราชานอื่นๆแล้ว <c oughs> มนุษย์ยังสามารถมีความคิดมีความรู้ได้สุดยอดนะสุดยอดนะในความเป็นสัตว์ที่ได้อุบัติมีอัตภาพขึ้นมาในชีวิตชีวิตมันมีทั้ง แบบผีชันิยามมีทั้งแบบจิตนิยามนาในว่าชีวชีวิตซึ่งพลังงานที่ก่อเกิดตัวเป็นผีชนิยามและก็เป็นจิตนิยามเนี่ยมันเป็นพลังงา น, นา เป็นพลังงานที่ก่อตัวจับตัวกันขึ้นมาทำงานเป็นลักษณะเช่นพลังงานทางฟิสิกส์มันจับตัวกันเป็นไฟฟ้าพลังงานทางฟิสิกส์นี่มันจับตัวกันเป็นความร้อนเป็นจับตัวกันเป็นสภาพแสงเสียงอะไรพวกนี้เป็นต้นมันก็เป็นการรวมพลังงานซึ่งมาเกิดมาเป็น สภาพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็มีอะไรอะที่มีความแตกต่างอีกเยอะแยะแง่เชิงสารพัดไปเหมือนกันแม้แต่ ท, ทางวัตถุนจนกระทั่งพลังงานที่มันมีพลังงานพัฒนาการมันพัฒนาการขึ้นมากว่ามันจะเกิดมาเป็นพลังงานชีวะในพัฒนาการขึ้นมาเช่นโลกลูกหนึ่ง ไม่ต้องไปอธิบายถึงว่ามันจะเกิดมาเป็นลูกโลกเมื่อไรอะไรยังไงไม่ต้องพูดถึงพูดถึงว่าเมื่อมันเกิดมาเป็นลูกโลกลูกหนึ่งกว่าโลกจะปรับตัวกว่าจะมีบรรยากาศมีสิ่งที่แวดลอ้อมมีองค์ประกอบอะไรต่ออะจนกระทั่งสามารถก็ขอรัดเข้าสู่จนกว่ามันจะมีพลังงานในระดับชีวะในโลกลูกใดลูกหนึ่ง มันก็มีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆน า, นานาซึ่งหลายอย่างอาตมากไม็ไม่ไม่รู้แต่ก็สามารถที่จะรู้บ้างว่ามันเป็นวัฒนาการตามพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะพลังงานทั้งหลายแหลตั้งแต่มันยังไม่เป็นชีวาก็ท่านแยกเอาไว้ว่าอุตุนิยามนะนิยามก็คือกำหนดนะจำกัดความน่ะดย definition นิยามลงไปว่าอุตตุมันคือพลังงานอะไรพีชะคือพลังงานอะไรจิตนิานยามแล้วก็จิตนิยามแล้วก็กรรมมนิยามลงท้ายว่าธรรมนิยามธรรมนิยามคือองค์รวมและก่อตัวเป็นธรรมเป็นธาตุ เป็นสภาพที่ทรงไว้เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวเป็นธรรมหรือเป็นธาตุถ้าเรียกในแง่ของสิ่งที่ทรงไว้นั้นธรรมะเป็นธรรมะเนี่ยเป็นพลังงานที่สุดยอดแห่งพลังงานในมหาจักรวาลนี้เพราะธรรมะเป็นพลังงานที่กลั่นมา เป็นพลังงานที่ประเสริฐที่สุดธรรมะมันหมายถึงความดีพูดกว้างไกลทั้อย่างทั่วโลกถ้าเพื่อว่าเข้าใจสภาวะอันนี้กันก็หมายถึงพลังงานทางจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องเป็นข้อความดีสิ่งใดที่ไม่ดีแม้นิดหนึ่งก็เรียกว่าไม่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะคืออัธรรม เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งใจสัญญากำหนดมาจริงๆแล้วจะเล็กจะน้อยจะมากจะใหญ่อะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นเป็นตัวของมันเองแล้วเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ทรงไว้ในองค์ประกอบของมันที่เรียกมันว่าธรรมะแล้วมันต้องดีครบถ้ามันมีอะจุดศหนึ่ง ก็เรียกว่ามันด่างพลอยมันก็ไม่ใช่ทรงไว้ซึ่งธรรมมันก็มีอะอะธรรมศูนยหนึ่งอย่างที่ว่านี้ น, นี่อัตมาพยายามอธิบายให้มันนเลียดหน่อยเพราะฉะนั้นคาว่าธรรมะจึงหมายถึงความดีครบธรรมะจึงหมายความดีครบถ้าจะเรียกเป็นธาตุธรรมธาตุ จะในภาษาฟิสิกส์หรือภาษาของทางศาสนาก็ตามธาตุธา ต, าตุก็เป็นธาตุที่ลงตัวธาตุก็คือองค์ประกอบนั้นลงตัวแล้วมีคุณลักษณะของมันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของธรรมธาตุก็คือคุณลักษณะของความดีนะคุณลักษณะของความดีมีอยู่ในไหน ในคนในคนเรียกโดยอนุโลมจะเอาไปเรียกธรรมะในสัตว์เดริดชานคือมันเป็นคุณธรรมของวิญญาณของธาตุที่เป็นจิตธาตุที่เป็นจิตนิยามเป็น ค, คุณธรรมเป็นธาตุของจิตนิยาม ไม่ใช่เป็นาธาตุของระดับของอุตตุไม่ใช่เป็นาธาตุของระดับพีชะแต่เป็นาธาตุของระดับจิตนิยามเมื่อมีจิตนิยามี้สามารถที่จะมีคุณสมบัติหรือเป็นคุณสมบัติเป็นคุณลักษณะถึงขั้นธรรมะได้ และธรรมะเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ในการแสดงออกทางกรรมแสดงออกทางกรรมคือการกรรมริกิยาการกระทําหรืออาการเคลื่อนไหวกิริยาแสดงออกอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทางกายกรรมก็เห็นครบถ้วนออกมาทางรูปนอกทั้งหมด ถ้าเพิอว่าจากทางแค่วจีก็จีกรรมแต่มันก็อยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้ศัพท์คำ่ามโนเป็นตัวตั้งมโนปุพังคมาธรรมมาคมาธรรมมาขมาก็คือมันเดินคะมะแปลว่าการไปคมาธรรมมาธรรมมะนั่นเอง เพราะฉะนั้นมโนนี่แหละเป็นต้นธาตุต้นทางของธรรมะมโนปุพังมโนมาก่อนมโนเป็นประธานเป็นอันก่อนแล้วมันก็มโนปุพังมาก่อนแล้วก็ถึงไปเป็นธรรมะก็คือธรรมะจะเกิดได้จะมีได้ก็มีจิตทิเบจาจะใช้ศัพท์คำว่ามโน มันน ะ, ะคำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าวิญญาณเป็นคำวัยพ์เป็นคำที่ใช้แทนกันได้ว่าเป็นหมายถึงจิตนี่แหละหมายถึงสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสัตว์ควบคุมหรือว่าเป็นตัวประธานของความเป็นสัตว์ไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนละจิตนิยาม มีจิตมีมโนโทั้งนั้นนะมโนนี่หมายถึงตัวจิตตัวละเอียดตัวละเอียดหรือตัวที่ปรุงแต่งอยู่ข้างในในมีบทบาทมีเป็นต้นทางต้นทาาถ้าจิตก็เป็นภาษากลางๆถึงพฤติกรรมต่างๆมโนนี่ก็คือตัวพลังงานจุด จุดตัวแกนตัวแก่นของตัวอาการทั้งจิตนิยามเลยคําว่าจิตก็คือองค์รวมคำพัสสากลางกลางรวมถ้าวิญญาณก็เป็นลักษณะของธาตุตัวนี้วิญญาณธาตุธาตุตัวนี้เป็นธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุมันมีภาษาธาตุตทอทหารสระออเสือก็ได้ เป็นาธาธตุธาตุเนี่ยวิญญาณนธาตุนี่คือวิญญาณเป็นตัวที่ลักษณะของาธาตุรู้าธาตุความรู้ในองรวมที่ออกมาเป็นบทบาทวิญญาณออกมาเป็นบทบาทนาจนกระทั่งถ้าชื่อว่าเป็นมันมีบทบาทที่ดีหรือบทบาทที่ไม่ดี มันก็เป็นลีลาของมันเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมของมันเนี่ยถ้ามันไม่ดีมากๆเราเรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นต่าชั้นเสื่อมระดับสัตว์ระดับชั้นนรกชั้นเปรตชั้นเดรัจฉานชั้นสัตว์วินิบาต์อย่างนี้เป็นต้น มันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่ต่ำที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวสามถ้าดีขึ้นมาเราก็เรียกธรรมะอันที่ต้นทางอันนี้แหละที่จริงมันไม่เรียกธรรมะเพราะมันมันไม่มดีแต่มันก็เป็นวิญญาณทางด้านระดับของต้นทา่าต้นทางของมโนปุพังขมาธรรมะขมาธรรมะ เป็นต้นตต้นทางของพลังงานต้นของสัตว์ทั้งหลายเพราะงั้นก็เอามาใช้สือเรียกมาใช้ซืือเรียวันไม่มีความหมายให้รู้เท่านั้นเองเพราะตัวสัตว์ทั้งหลายนี่จึงมีสิ่งที่ทรงอยู่ในร่างเขาแปลธรรมาว่าสิ่งที่ทรงอยู่ถ้าไม่มีแล้วก็คือไม่มีอันนี้ หายไปเลยไม่มีอะไรถ้ามีอะไรทรงอยู่ก็คืออันนี้ทางจิตจิตนิยามเนี่ยมีอันนี้ทรงอยู่ขอขยายความถ้าจะขยายความว่าให้รู้สกก่อนว่าอุตุนิยามคืออะไรพีชนิยามคืออะไรจิตนิยามคืออะไรกรรมนิยามคืออะไรทรมนิยามคืออะไร มีความต่างกันในขั้นต้นขยายความให้ฟังอันนี้สัหน่อยนึ่งก่อนอุตุนิยามนี่คือพลังงานในระดับที่ยังไม่เป็นชีวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นพลังงานจะเก่งจะกาดจะมีความสามารถจะมีริดแรงจะมีประสิทธิภาพอย่างใดๆสารพัดพลังงาน ความร้อนแสงเสียงเหล็กไฟฟ้าทางฟิสิกส์ที่เขาเบื้องต้นที่เลียกกันนอกนะั้นจะมีชื่ออะไรอีกสารพัดก็ตามมันก็เป็นพลังงานที่ยังไม่มีความเป็นชีวะยังไม่เป็นเลยนี่เป็น นิยามข้อแตกต่างของพลังงานต่างจาก อ, าอื่นถ้าจะเรียกว่าพลังงานขั้นแน่นอนพีชะกับจิตในคนเข้าใจง่ายว่ามันเป็นชีวะกรรมมันก็เป็นชีวะเป็นพลังงานระดับชีวะธรรมธรรมธาตุธรรมนิยามที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้มันก็เป็นชีวะส่งไว้ซึ่งความเป็นชีวะอยู่ จากอุตุนิยามเป็นพลังงานที่ไม่ยังไม่เกิดชีวะเจนพลังงานที่จะมีคุณสมบัติวิเศษวิเศโสรุนแรงหรือเบาบางอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะพลังงานนั้ น, นพลังงานของอุตุนิยามนั้นก็คือพลังงานที่ยัง ข้อแตกต่างที่สุดก็คือมันยังไม่เป็นชีวะไม่มียังไม่มีชีวะพอเริ่มต้นมีชีวะก็เรียกว่าผีชะนิยามเริ่มต้นเป็นชีวะตั้งแต่จะชีวะขั้นต่ําที่สุดอย่างไรก็แล้วแต่ของชีวะในระดับหนึ่งเป็นชีวะที่ถ้าใช้ภาษาของภาษาพุทธศ า, าสนาพุทธศาสนาก็เป็นชีวะที่ระดับมี สัญญามีสังขารแต่ยังไม่มีวิญญาณและยังไม่มีเวทนามีแต่แค่จะเรียกเป็นภาษาทางศาสนาก็มีแค่ลักษณะของสัญญาคือการกำหนดหมายและมันก็มีจะเรียกว่าความจำของมันก็ได้ ม, มันรู้มันจํามันเป็นตัวของมัน มันรู้อันนี้คืออันนี้มันต้องมีในตัวมันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้ใช่อันนี้เอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้ใช่เอาอะไรเงี้ยมันกำหนดหมายได้แล้วมันก็ทำงานเอาไม่เอาแล้วก็เอามาสังเคราะห์สังขารเอามาปรุงแต่งทำเป็นอัตภาพของมันเราก็ไม่เรียกอัตภาพหรอกเพราะอัตานี่มันมีความหมายถึงตัวตนที่คันจิตนิยมเอามาเป็นลักษณะ ชีวะของมั น, มนเป็นลักษณะชีวะของมันอพีชะเพราะฉะนั้นพีชะนิยามในระดับพีชะก็คือพืชนั่นแหละชีวะในระดับนี้จึงยังไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีเวทนาและก็ไม่เป็นวิญญาณที่จะก่อให้เกิดกรรมเกิดบาปเกิดบุญ เกิดกุศลอกุศลใดไๆยังไม่มียังไม่ถึงขั้นมันไม่รู้นอกจากมันไม่รู้แล้วมันก็ไม่ไม่ได้ทำด้วยมันไม่ได้ทำให้ใครเป็นบาปเป็นกรรมอะไรใครมันไม่โกรธมันไม่รักอะไรใครมันไม่มีมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สัตว์เพราะงะั้นคนเถียงกันว่าเออกินพืชมันก็เป็นชีวะ บาปเหมือนกันความรู้เขายังไม่เข้าใจยังไม่พอเขาก็พูดไปชีวะกระือบเป็นจีวะเลยเถิดไปมันไม่บาปมันไม่ได้มีกรรมมันไม่ได้มีพยาบาทมันไม่จองเวรมันมีมีสิ่งที่สืบสารสืบต่อได้ไปชาตินี้ชาตินาชาตโน้ชาติไหนพื้นไม่ได้มีมันมีแต่ในพันธุของมันซึ่งเป็นทางวัตถุมันก็เป็นเชื่อเป็นพันุ์ของมันเท่านั้น ถ้าทางวัตถุจบมันก็จบในตัวองมันเองมันไม่มีอะไรไปอีกซ้อนต่างจากจิตนิยามจิตนิยามนั้นเป็นชีวะในระดับที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบนอกจากรูปไอรูปนั้นำมีอยู่แล้วรูปของผีชักก็มีแต่มันไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาจึงเรียกว่าไม่มีวิญญาณไ ม, ไม่มีสัญญาอไม่มี ไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณเพราะงั้นมันจึงไม่มีวิญญาณครองเพราะเมื่อไม่มีวิญญาณครองนะพีชะมันไม่มีบาปไม่มีบุญมันจึงไม่มีกรรมครองเลยไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีกรรมครองไม่มีกุศลกรรมอกุศลกรรมไม่มีไม่มีกรรมครองไม่มีวิญญาณครองท่านเรียกว่าอุบอนุป อนุปปาทินนกสังขารอ่างนนูสระอุปอปลาและก็ปปลาสองตัวอนุป ป, ปอปาตัวเดียวอนุปปอนุปาทินนกทอฐานสระอินนูกไก่อนุปปาทินนกสังขารสังขารคือมันปรุงแต่งกันอยู่แต่เป็น เป็นพลังงานในระดับที่ชีวะนี่แหละโดยยังไม่มีกรรมยังไม่มีกรรมมันไม่ครองกรรมมันไม่คลองวิญญาณมันไม่มีการผูกพันมันไม่มีการเกิดกรรมต่อเนื่องสืบสานไปพยาบาทไปรักกันต่อชาตินี้ชาติหน้าวิญญาณที่เป็นองค์ประกอบครบทั้งธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยมันมันก็ยังไม่มีครบจึงไม่เรียกวิญญาณเป็น เป็นพลังงานที่มีระดับวิญญาณครองหรือว่ามีก ร, รมครองทีนี้ไปถึงจิตเราจะได้พูดกันอีกเยอะก็คือเป็นสัตว์โลกที่มีพลังงานพิสดารสูงส่งที่สุดในปดาพลังงานในความเป็นชีวะอยู่ในโลกลูกไหนก็นแล้วแต่ แล้วมันมีกรมครองเป็นชีวะที่มีวิญญาณมีกรมครองมีเวทนามีรักมีพยาบาทมีจองเวรจองกรรมแล้วก็มีแก่แค้นมีอะไรกันมีความรักผูกพันไปอีกชาตินี้ชาตินาอะไรอะไรกันให้เกิดนิยายของในโลกขึ้นมามหาศาลมากมาย จิตนิยามจิตนี่แหละแบ่งหรือว่ามันจะมีความรู้ความสามารถที่จะไปสร้างกรรมสร้างธรรมจิตนี่มันจะไปสร้างกรรมสร้างธรรมเพราะฉะนั้นจิตผู้ที่จะรู้จัก ผู้ที่จะศึกษาก็ผู้เห็นความสำคัญเห็นความสำคัญว่าจิตนี่สำคัญเพราะคนทั่วไปปุถุชนหรือคนที่ยังไม่มีปัญญาปฏิภาณเพียงพอไม่เห็นความสำคัญของจิตก็จะไม่ศึกษาไม่เห็นความสำคัญของธรรมะออและ ยอมไม่เห็นความสำคัญของกรรมไม่เห็นความสำคัญของจิตไม่เห็นความสำคัญของธรรมะจึงไม่ศึกษาเรื่องกรรมเพราะกรรมจะเป็นตัวที่เป็นพฤติกรรมที่จัดการกั น, นได้เรียนรู้ได้และเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเป็นเครื่องชีบง้บ่งกรรมเป็นตัวชีบ้บ่งเป็นตัวแสดงที่ ชัดเจนเป็นตัวแสดงที่ทำให้เรียนให้รู้บอกแจ้งยืนยันเข้าใจกันได้ทั่วตัวคำว่ากรรมลักษณะกรรมนี่จึงจะต้องศึกษาอันนี้แล้วเป็นตัวเป็นตัวใช้เรียนรู้ใช้บ่งบอก จะบอกกันได้จะชี้ยืนยันกันได้ว่าคุณสูงคุณต่ำคุณดีคุณชั่วคุณประเสริฐไม่ประเสริฐเป็นผู้ที่มีธรรมะหรือมีจิตที่สูงจริงไม่สูงจริงรู้ได้จากกรรมหมดและกรรมก็เป็นตัวที่จะ เป็นเครื่องชี้บ่งให้คนจัดการ ก, กรรมปรับปรุงที่กรรมตั้งแต่กรรมหยาบที่เป็นองค์ประชุมข้างนอกครบทุกอาการเรียกว่ากายองค์ประชุมกายกายนี่คือองค์ประชุมเพราะฉะนั้นกายมันออกลีลาเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหว เมื่อเป็นอาการเคลื่อนไหวขึ้นมาก็รู้กันได้จับปานอาการเคลื่อนไหวนั้นออกการเคลื่อนไหวนั้นเราจะเรียกโดยภาษาไทยก็ใช้คำว่ า, าเคลื่อนไหวใช้ภาษาศัพท์ของท่านภาษาบาลีก็เรียกว่าวิญญาตวิญญาตถ้าจะเรียกในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเคนติก คณิติก K I N E นี่แหละ T I N T I C คณิติกคณิติก energy พลังงานที่มันเคลื่อนไหวผู้ที่มีปัญญาแล้วรู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทศสอน เรื่องกรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่จะต้องทำความสำคัญแล้วมันก็สั่งสมตกผลึกอยู่ในอัตภาพของเจ้าตัวของทุกคนตกอยู่ในอัตภาพเจ้า ต, ตัวของทุกคนเรียกว่าผลวิบากผลวิบากเพราะนั้นเราจะทำกรรม ที่ดีหรือชั่วเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่ดีหรือชั่วบาปหรือบุญก็ได้ดีหรือชั่วบาปหรือบุญต่ำหรือสูงก็แล้วแต่เป็นกรรมที่เราทำนั่นแหละมันจะสั่งสมลงไปเป็นผลวิบาก ค, คนจึงผู้ที่มีปัญญาจึงโดยศาสนาพุทธนี่จึงเรียนรู้อันนี้แล้วปรับปรุงอันนี้ ปรับรุงให้เป็นกุศ ล, ลกรรมแล้วมันก็จะสั่งสมลงไปทรงไว้จึงเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมะจากกรรมแล้วก็สั่งสมลงเป็นธรรมทรงไว้เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุองร์รวมเพราะฉะนั้นในคนนี้เมื่อไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วคําว่าธรรมะ ที่เป็นธรรมทาของแต่ละบุคคลจึงมีทั้งดีและชั่วอยู่ในนั้นเต็มไม่หมดคนที่ไม่ได้ศาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเต็มไม่หมดดีและชั่วอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเราจะต้องทาความรู้เป็นเบื้องต้นและวาสมาธิทิฏฐิเบื้องต้นให้รู้นะเรื่องนี้สาคัญ พยัญชนะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในทิฏฐิข้อนี้เป็นทิฏฐิข้อที่สในสมาธิทิ่สิบสุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกสุกตะก็สสรุโกไกตอเตาสุกตะทุกตานังทอสารุ กไก่ตอประตักตอประตักสองตัวทุกกตาระโอคอไภกไก่สองตัวกกต ah i, ไม่ใช่ต้อเต่าสองตัวทุกตาตอประตักทุกตาสละานอนนางนอนนุสละไมฮานกาศงูสุกตะทุกตานางกรรมมานางกไก่ไมฮานกาศมอมามหมอมาไมฮานกาศงู กไม่ไม่ชมนุกรรมมามอมาสราะอานอนหนูกรร ม, มานังแม่นากาศงงงูสุกตะทุกสุกตะมาต่อกันนะสุกตะทุกตานังในทุกตานังกรรมมานังพลังวิปากโกพลังพอพึ่งลอลิงน่ม่ากาศงงงูพลังวิปากาโอ ก, โกไก่ในบากรนั่นแหละ มันเป็นภาษาไทยกวิบากพลังมีปากโกพลังมีบากผลวิบากจะทำดีหรือทำชั่วทำบาปทำบุญแล้วแต่โดยกรรมมานังคือกรรมในะการกระทาการกระทาที่เป็นสุขตะหรือทุกตะหรือทุ ก, ก, ต, าท ก, กตานังเป็นผลเป็นมีบากตกเป็นผลเป็นมีบากสังสมเป็นธรรมธาตุหรือเป็นธาตุที่ทรงไว้ในตัวคน ถ้าคนที่มีแต่อธรรมเยอะมันก็ไม่ชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นดีถ้าจะเป็นสัตว์ชั้นดีเป็นสัตว์ชั้นประเสริฐธาตุที่สรงไว้มันต้องเป็นสัตว์ดีชั้นดีบอกแล้วอตมาธิบายนำตอนแรกเราว่าธรรมนะนั่คือธาตุที่สรงไว้หมายเอาดีถ้ามันไม่ดีมันเป็นอธรรมหมดนะแต่เราจะไปหาธรรมะธาตุ ที่มันไม่มีดีอะไรเลยขอไปไม่ใช่ที่มันไม่มีไม่ดีไม่ใช่ไม่มีดีอะไรถ้าธรรมธาตุที่มันไม่มีไม่ดีไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่ดีอะไรเลยมันเป็นธรรมธาตุที่ปราศจากความไม่บอกพร่องอะไรเลยทั้งหมดต้องยกให้สูงสุดที่พระพุทธเจ้าต้องให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นองค์ประเสริฐสุดสะอาดสุดทรงไว้ซึ่งธรรมธาตุเป็นองค์ธรรมธาตุ หรือเป็นองค์ธรรมะที่มีองค์ประชุมของความเป็นพลังงานที่เป็นสัตว์โลกเนี่ยเยี่ยมที่สุดจึงเรียกว่าธรรมะเพราะวองค์ประชุมของสิ่งที่รวมอยู่ในธรรมธาตุอยู่ในองค์ที่ทรงไว้นั่นองค์ประชุมอยู่ก็คือกายจึงเรียกว่าธรรมกายธรรมกายคือองค์ประชุมของธรรมธาตุหรือธาตุที่ ดีที่สุดในสัตว์มนุษย์ที่มีจริงเป็นจริงเราก็ยกให้พระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่าก็ตรัส ว, ว่าเรียกเราว่าทำธรรมกายถ้าภาษาเรียกว่าธรรมกายก็คือหมายถึงตถาคตหรือเรียกว่าพรห ม, มกายก็ได้พรหมรพระพรหมคือความบริสุทธิ์พรหมคือความบริสุทธิ์เรียกว่าเราว่าพรหมพรหมกายก็ได้คือองค์ประชุมของทั้งกายกรรมวจีกรรมนกรรมทั้งความที่ส่งไว้ ต้นทางเลยเลยว่ามาโนโปุพังต้นทางของที่ตัวธาตุจิตธาตุจิตนิยามที่เป็นตั ว, ต, วตัวตั้งเลยมโนตัวตั้งของจิตเลยวป็ตัวที่เป็นองค์ประกอบเป็นกายะที่ท่านได้สร้างองค์ประชุมของสิ่งที่มันเหมือนอย่างกาบธาตุอันนั้นธาตุอันนี้ต่างๆ เช่นถ่านน้ําก็มีองค์ประชุมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนเป็นต้นอัตมาวิทยาศาสตร์เรียนมาก็พอสมควรตามประสาที่เรียนแค่ไม่กี่ปีนะเพราะอัตมาแค่เรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เคยเรียนขึ้นไปปริญญากับเขาเลยก็เลยไม่ได้เรียนอันอื่นเรียนโดยแต่แค่เตรียมวิทยาศาสตร์ก็เรียนหลายปีเพราะว่าเรียนตกเตรียมวิทยาศาสตร์อยู่หลายปี เรียนอยู่หลายปีอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ในชั้นหนึ่งเลยด็อกอสัตระจารย์สตางมงคลสุขด็อกเตร์ทองสุขพงษทัตโอระดับตอนนั้นเป็นศา ส, ต ร, สตราจารย์ที่ถือว่าเป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งสอนส่วนเอาเรานี่ไม่เอาถานเลยสอบอยังอาจารย์สตางนสอนเคมี วิยาศาสตร์ทางเคมีอาตมาก็สอบนะ่สิบส่วนร้อยสิบส่วนร้อยยเอานี่แวะไปนิดหนึ่งว่า <c oughs> <c oughs> ในลักษณะของสิ่งที่อาตมาค่อยๆบรรยายค่อยๆพูดไปเพราะนี่เป็นการศึกษาที่เราจะใช้เวลา เรียนต่อเนื่องกันไปไปตามลาต่อไม่ใช่ว่าพูดแล้วประเดี๋ยวก็หายก็จากกันไปจังเยอะไม่ได้เรื่องก็รีบมีอะไรบอกๆกันเร็วๆจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์นี่มันจะเป็นความรู้เป็นการศึกษากว่ากันไปอาจจะะลเรีย์เรื่อยๆไปและอาตมาก็ไม่มีตําราเรียนเป็นระบบเลยตอนนี้เก็บอกท่านแซนดินมาอาศัยท่านเป็นคนทําเก็บเรียบเรียงทําอะไรให้ด้วย มันจะได้เป็นทีหลังปีหน้าก็สอนปีหนึ่งอีกเริ่มต้นหรือปีสองจะได้สอนอะไรไปอีกก็จะได้รู้ว่าอันนี้สอนไปแล้วนะปีหนึ่งอันนี้สอนปีสองนะจะขยายยังไงไม่งั้นจะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จำไม่ได้เพราะมันก็สอนอยู่ทุกวันวันแล้วตบางทีไหลค า, าบสอนอยู่เงี้ยนี่นนมันก็จะไม่ได้ เมื่อเราสามารถมีพลังงานที่ท่งไว้ที่ตัวเองในอัตตภาวะหรืออัตภาพของเราแล้วมันจะมีบทบาทตั้งแต่มันเป็นมโนโ น, นั่นแหละตัวตั้งของพลังงานตัวอยู่ในจิตของเรานี่ตัวที่สุดของตัวตั้งของจิตเนี่ยถ้ามันทรงอยู่ด้วยอธรรมมันก็ออกพลังงานทางอธรรมออกมาเป็นพฤติกรรม เป็นกรรมต่างๆจะออกมามากออกมาน้อยออกมาเมื่อยมันก็ต้องออกมาออกมามีพฤติกรรมอยู่ในโลกถ้ามันไม่ดีมันก็ทําความไม่ดีให้แก่ผู้อยู่ข้างเคียงหรือสิ่งที่จะต้องไปเกี่ยวไปคล้องไปรับกระทบมีผลต่อกันตัวเองก็ได้ชื่อว่าตัวเองชั่ ว, วไม่ดี อันอืนก็ได้รับกระทบจากเรามันก็ไม่ดีแก่เป็นผู้ร้ายแต่ถ้ามันดีมันก็เป็นสิ่งที่ปเปิดเป็นอาริยะอาริยมนุษย์รออาริยะชนก็เป็นคนรเริดคนอาริยะอัตมาก็ขอย้ำว่า พระพุทธเจ้าท่านคนพบจึงคนพบกรรมสุกตะทุกตะนังกรรมมานังพลังวิปากโกคนต้องดูแลกรรมพัฒนากรรมก็จะเป็นธรรมะจะเป็นจิตจะเป็นมโนจะเป็นวิญญาณจะเป็นพลังงานที่ตัวขับเคลื่อนความเป็นคนของเราความเป็นมนุษย์ของเรา ความเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งในมหาจักรวาลนี้มันเป็นตัวจริงแลวมันขับเคลื่อนจริงๆมนุษย์สามารถที่จะสะกดไม่ให้ออกกรรมไม่ให้ทำกรรมกิริยาที่มันไม่ดีตั้งๆที่มันมีต้นทุนที่ไม่ดีมีต้นทุนที่อยู่ในจิตเป็นต้นทุนที่ตัวไม่ดีที่เป็นต้นทุนต้นทางอยู่ในจิตเนี่ยท่านแยกมาเรียกชื่อมันเลยว่ากิเลส เรียกชื่อมันว่ากิเลสนะเพราะฉะนั้นจึงเรียนรู้ตัวกิเลสนี่แหละมันก่อเป็นตัวต้นเหตุสมุทัยของการทำกรรมทั้งหมดกิเลสเนี่ยเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวเหตุต้นเหตุต้องเรียนรู้ตัวนี้ให้รู้จักมันจริงๆรงรู้จักมันจริงๆแล้วจัดการกับมัน จัดการกับมันแล้วถ้าจัดการตัวที่มันไม่ดีจนเรือแต่มันเป็นตัวดีตัวดีตัวดีวดจนกระทั่งกิเลส ท, ที่ตัวไม่ดีเนี่ยมันหมดแรงห ม, หมดบทบาทที่จะมีในจิตเราจะทำต่อไปจากปัจจุบันไปถึงอนาคตได้นอีกมันไม่มีลักษณะไม่ดีนี้อีกเลยอ่ามันไม่มีกิเลสหรือไม่มีพลังงานตัวนี้อยู่ในจิตอยู่ในต้นธาตุตนธรรมของเรา มันไม่มีแล้วแต่เก่าๆที่มันทําไปแล้วมันก็เกิดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกรรมที่อดีตที่สั่งสมลงไปแล้วมันก็สั่งสมเป็นวิบากออกฤทธิ์ออกเดชให้แก่เราแต่รับทุกข์รับอะไรที่มันจะต้องเมื่อท่านผู้ใดที่ไม่ทําไม่ดีแล้วไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอีกแล้วท่านก็ทําแต่ดีส่วนที่ทําไปแล้วมันเป็นวิบากมันจะให้ผลแก่ตน ให้ผลแก่ตนจะมันก็จะเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงเพราะพลังงานพวกนี้จะไปสังเคราะห์กันอย่างเราตอบไม่ได้เลยมันจะไปบวกลบคูณหารกัไปแก้กันยังไงเป็นลดบทบาทของอกุศลกรรมที่เป็นอดีตกรรมของเรานี่ที่มันจะเป็นทําให้เรามันทุกข์มันร้อนมันไม่ดีมันเราไม่รู้มันไปสังเคราะห์มันเป็นบวกลบคูณหารกันยังไงมันเป็นอจินไต พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รู้จะตัดว่าไงแต่มันเป็นกรรมไม่บาปเป็นอจินไตรเป็นอจินไตรที่บวกลบคูณหารยากแต่เรารู้ได้ว่ามันบวกลบคูณหารกันมันไปจัดการสังเคราะห์สังขารกันไอ้ดีและไม่ดีเนี่ยนาณ า, าสารพัดที่ก็าเคยเรียนรู้ไปตามลำดับมันไปทำงานในงั้ น, นกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลถตัวที่ถ้าลถตัวที่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่มันทํางานอยู่เรารู้ จนมันไม่ทําจะไม่ทําไม่ทําไม่ทําจนกระทั่งมันไม่มีตัวในปัจจุบันนี้ไปอีกเลยที่มันจะไม่ทําและเราก็ต้องรู้โลกด้วยโลกอย่างนี้เนี่ยโลกียะอย่างนี้นี่กรรมอย่างนี้กับโลกเขาเนี่ย <ST AT> เขาถือว่าไม่ดี <ST AT> เขาถือว่าชั <ST AT> ่วกรร็ถือว่าเลวทรามเราก็ต้องรู้โลกเขาเราจึงจะทํากรรมสอดคลองกับโลกเขา เพราะฉะนั้นเราจะทำกรรมชั่วกรรมดีเราต้องโลกวิทูเราต้องรู้โลกเขาคุณจะรู้อยู่กับโลกลูกนี้คุณจะรู้อยู่กับโลกภาคนี้ภาคเอเชียเอเชียก็ถืออย่างนี้ว่าดีอย่างนี้ว่าถูกแต่ทางภาคตะวันตกเขาไม่ถือว่าดีว่าถูกเขาถืออย่างอีกอย่างดีไม่ดีบางอย่างตะวันตกกับตะวันออกเราเขาถืออย่างนั้นกันว่าดีตรงข้ามกับทางตะวันออกว่าเออทางนี้เราถือว่าชั่ว นั่นคือความถูกความผิดความถกนั่นคือความถูกความผิดเพราะสิ่งเหล่านี้จะเปถูกมันผิดนั้นเปนเรื่องของโลกโลกเรียกว่าโล ก, กวิทูมันไม่ใช่จิตจิตนี่มันต้องมีหน้าที่รู้ว่าโลกเขาถือว่าไอ้นี่ว่าถูกถือว่าไอ้นี่ว่าผิดถือว่าไอ้นี่ดีถือว่าไอน้อไอนี่ชั่วแล้วก็ต้องเข้าใจเขา เข้าใจเขาให้ชั ด, ชดเจนต้องมีตัวที่กำหนดรู้เรว่าสัญญากำหนดรู้ว่านี่นเขาถือว่าผิดก็ถือว่าถูกก็ถือว่าดีก็ถือว่าชั่วเมื่อสัญญาที่กำหนดรู้นั้นโดยปัญญามันมีตัวเข้าใจมันมีตัวรู้ไว้เป็นต้นทางใหญ่ปัญญาความรู้ประจำหลักจิตของเราแล้วมันก็ จะกระทกระทำชั่วหรือกระทาไม่ดีนะกระทำชั่วกระทาไม่ดีนะกระทาหยาบกระทาเลวกระทาผิดอะไรก็แล้วแต่มันกำหนดรู้แล้วมันก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำก็มีไม่มีพลังงานกิเลส ต, ตัวใดที่จะมาไม่ทำเพราะมันมีแต่ปัญญาหรือตัวรู้มันรู้ แล้วมันก็ไม่ทําเพราะพลังงานอันนั้น อ, ออกจากจิตเราแล้วตัวกิเลสมันหมดสิ้นมันไม่มีแรงเลยไม่เหลือเลยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาบังคับเราทํามันก็ไม่ทําตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปถึงอนาคตอีกทั้งหมดตั้งแต่สุดยอดที่ไม่ทําชั่วแล้วสรรพพาปัสกากรนางคือเป็นพระอระหรันได้ตําแหน่งพระอระหันได้คุณสมบัติได้คุณธรรมอัน สุดยอดนี้จริงเมื่อไรมีจิตที่ไม่มีอาการกิเลสเกิดในจิตตัวอีกตั้งแต่ปัจจุบันนั้นไปจนกระทั่งถึงอนาคตอีกนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นานเท่านานเท่าไรก็ตามมันจะไม่มีเกิดจริงไม่เกิดจริงๆไม่มีจริงๆแล้วจะอยู่กับโลกไหนก็ไปสมมุติอยู่กับโลกเขาให้ให้เข้าใจ เราเป็นคนเอเชียเราจะไปอยู่ตะวันตกก็ต้องไปเข้าใจความถูกความผิดที่เขายึดถือกันเขาถือกันว่าอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ดีอันนี้ชั่วก็ต้องโลกวิถูต้องไปรู้เขาถ้าไม่รู้ก็ทำผิดได้เพราะอาจจะติดไปจากทางเอเชียทางเอเชียนี่ติดว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเป็นแบบนี้แต่ทางโนง้นเาถือกันคนละอย่าง เราก็ต้องไปกํานกหนดรู้ตามเขาแล้วก็ต้องทำตามเขาโดยความผิดความถูกหรือความดีความชั่วมันจึงเป็นของโลกแล้วเราต้องมีปัญญารู้ตามแล้วก็ใช้ตามใช้โดยการสัญญากาหนดรู้ว่าเราก็จะต้องใช้ตัวนี้ให้มันตรงกับที่เขากาหนดสอดคล้องถ้าไม่ตรงมันก็ผิดถ้ามันตรงก็ถูกตามที่เ็าถือ แล้วมันมีแยกย่อยไปอีกนอกจากจะจังนี้แล้วแต่ละคนก็ยึดถือมากบ้างน้อยบ้างแรงมั่งเบามั่งเหลี่ยมน้น์มั่งเหลี่ยมนี้มั่งอะไรอีกมีอีกละเอียดละอ้อไปหมดก็พูดก็ไม่ไหวละอ่ะพาพอพูดจัง น, นี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอาทั้งนั้นความถูกความผิดความดีความชัว่วมันก็ไม่มีสิก็มันมีโลกมันมีมนุษย์โลกมันมีการกําหนดแล้วโลกก็มีการยึดถือพวกนี้กัน คุณล้างโลกไม่ได้มันก็มีอยู่ตลอดการแต่คุณล้างจิตของคุณได้ว่าคุณไม่ติดยึดดีชั่วคุณไม่ติดยึดผิดถูกแต่คุณก็ต้องอยู่กับโลกเขาอย่างดีอย่างถูกแล้คุณก็ซื่อสัตย์ผู้ที่เป็นอหรหันต์และซื่อสัตย์ทุกคนแหละไม่ขบวหรอกเพราะรู้ว่าบทบาทของความไม่ดีท่านไม่มีแล้วตัว ที่ลึกซึ้งแห่งคำ ว, ว่าอัตภาพที่มันเป็นที่รองรับของจิตวิญญาณทั้งทิศต้นที่เป็นชีวะมาแล้วมันก็มีอัตภาพในตัวมันเองเป็นตัวของมันเองแล้วก็มีชีวจิตนิยามเนี่ยจิตนิยามเป็นชีวะในตัวมันสังสมมาจนกระทั่งตลอดจนกว่าคนจะปรินิพานสลายตัวธาตุนี้หายไปเป็นปรินิพาน ขั้นปริโยสารแต่้าตราบตราบใดมันยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารมันก็จะต้องมีการมีกรรมมีพฤติกรรมอยู่ในโลกเมื่อมีพฤติกรรมความเป็นจริงของธาตุนี้มันก็รู้แล้วเมื่อไม่มีอัตภาพไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสตัวที่จะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มาให้แก่ตัวเองบอมเบอตัวเองมันไม่มีละไม่มีจริงๆมันเป็น คุณสมบัติที่แท้จริงที่พิสูจน์ได้ก็ไม่มีไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะทําเพื่อตนมุมนี้มีตนแล้วจริงๆไม่มีตัวตนแล้วก็ทํากับโลกเขาให้สอดคล้องและให้เป็นคุณค่าประโยชน์แล้วเราก็จะรู้ประโยชน์อยู่กับสังคมกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรที่ควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าดีหรือไม่ดีเรียกว่าควรหรือไม่ควร ควรเราก็ทำด้วยไม่ควรก็ทำํำว่าไม่ควรก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นท่านทาอันนี้ว่าควรคนที่เขายึดว่าอันนี้ไม่ดีเขาก็บอกนี่ทําไม่ดีแต่ท่านผู้ที่ทาเนี่ยท่าไม่ได้ทํากับคนโน้นคนโน้นคนถือคนยึดก็ถื อ, ถ อ, ถอว่าไม่ดีก็เรืองของคุณแต่อันนี้องค์รวมของเขามันควรเราก็ทําตามสิ่งที่ควร สิ่งที่ควรนึ่งจึงเป็นสิ่งที่สูงสุดแห่งกรรมกิริยาของผู้รู้ที่จะทำกรรมกิริยาของตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดโดยมีปัญญาเลือกเฟ้นคัดกรองอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้มีอำนาจอคติอะไรเข้าไปร่วมเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถ เป็นอรหันต์แล้วนี่สามารถที่จะรู้โล ก, กวิทูรู้สิ่งเป็นโลกรู้จากบริษัทกลุ่มหมู่มนุษย์สังคมที่เขาทาอันนี้ถืออันนี้องค์รวมของอันนี้อันนี้และเราจะร่วมอยู่กับเขาทํากับเขาสัมพันธ์กับเขาให้เกิดการเกี่ยวข้องกับเขาอยู่เราก็จะต้องสรรค่าสร้างคนสรรค่าสร้างทั้งตัวเอง สร้างทั้งให้แก่ผู้อื่นมีคุณค่าประเสริฐเลือกเฟ้นค่าของสิ่งที่ควรที่สุดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่อยู่กันอย่างรู้จักค่าของสิ่งดีที่สุดทุกกรรมกิริยาเทาที่ภูนั้นจะมีภูมิรู้มีภูมิปัญญาที่มีสับพุริสธรรมเจ็ประการและมีมหาประเทศสีก็จะใช้ สัพพิธธรรมเจ็ดกับมหาประเทศสี่ประกอบคุณค่ากรรมต่างๆที่อยู่กับสังคมประกอบคุณค่ากรรมต่างๆอยู่กับสังคมเข้าไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต จ, จริงใจและไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีเลยเพราะตัวเหตุไม่ดีคือกิเลสหรือบาปไม่มีแล้วกรรมจึงไม่มีกรรมบาปสัพพปาปัสสะอัการะนัง ไม่กระทำแล้วสิ่งที่เป็นบาปเพราะกิเลสตัวการไม่มีให้ทำไม่มาใช้ให้ทำกรรมที่มีแต่กุศลไปทั้งหมดกุศลสุขุปสมบทานะและท่านก็ต้องทำอยู่กับกุศลนั้นโดยการสรรค่าสร้างกรรมหรือสรรค่าสร้างประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ตนเองจริงๆน่นคือจัดการกระตัวกรรมตัวบาปตัวกิเลสมันเป็นตัวเหตุที่ทํากรรมต่างๆไม่ดีจัดการหมดแล้วประโยชน์ตนหมดอัตตา ต, ตัวเองหมดเพราะฉะนั้นจะอยู่กับสังคมอยู่กับผู้อื่นประโยชน์ตนอันนั้นเป็นตัวสําคัญแต่แม้ว่าประโยชน์ตนหมดสําคัญที่สุดที่ตัวเองต้อง แก้ไขปรับปรุงให้ไม่มีตัวเหตที่จะทำกรรมชั่วได้แล้วประโยชน์ตนจริงๆก็อยู่กับสังกลน ป, ประโยชน์ตนชนิดที่เรียกว่าอยู่อย่างเต็มไปได้วยทรัพย์ทรัพย์คุณงามความดีทั้งหมดแล้วอันนั้นเป็นสรณะอินทรพึงไม่ต้องสะสมเลยโดยกรรมอยู่กับกรรมแต่กรรมนั้นเป็นกุศลทั้งหมด คนรู้คนไม่รู้ก็ช่างแต่ท่านทำกรรมดีนี้อย่างซื่อสัตย์และก็ทำเป็นเป็นในตนเองอ่ะมันเป็นพฤติกรรมของตนเองคนอื่นเห็นคนอื่นรู้เรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ตรงไปใครไปคิดหรอกว่าอันนี้เราจะเลือกว่าเอามาเป็นของเราอันนี้เราไม่เอากรรมนี้เราทำแล้วเราก็ไม่เอาเอเราก็เลือกเอากรรมนี้เป็นของเรา ไม่มีใครสามารถบางอาจจะเป็นเลือกเอากรรมใดเป็นของเราไม่เอากรรมใดเป็นของเราไม่ได้คุณทำกรรมใดแล้วยากรางละเอียดขนาดไหนก็ตามในที่รับที่แจ้งที่ไหนก็ตามกรรมต่างๆนั่นเกิดจากคุณตั้งแต่มโนกรรมวิจีกรรมกายกรรมออกไปทั้งหมดแล้วมันเป็นเป็นทันทีก ร, รมเป็นอันทมสำเร็จกรรมเมื่อไร มันก็เป็นไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทำบัญชีไม่ต้องลงบัญชีไม่ต้องอะไรเลยมันเป็นของเราทันทีทันใดหมดแล้วมันก็มีพลังเพราะในอัตภาพมีจิตนิยามมีพลังงานที่เป็นตัวจริงที่จะต้องออกบทบาททำบทบาทไปตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็น อรหันขึ้นไปแล้วหมดบทบาทตัวที่จะเป็นต้นทางในการทํำกรรมชั่วกรรมผิดกรรมอะไรต่างๆนานาและจะผิดจะชั่วจะดีอะไรบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของตนละท่านประมาณอันควรที่สุดของข้างนอกทั้งหมดเพราะงั้นผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจอย่างที่อาตมากล่าวแล้ว เมื่อเป็นอรหันต์แล้วหรือเริ่มต้นเป็นผู้ที่เห็นค่าของกรรมเห็นค่าคุณค่าหรือคุณค่ า, ค, าค่าเอาเวลูค่าของกรรมกิริยาต่างๆดีจึงมาเป็นผู้ที่บอกว่าเห็นของคนอื่นทำกรรมกิริยาของคนอื่นอะไรดีไม่ดี โดยโลกโดยโล ก, กโล ก, กวิทูทั้งนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยให้สังคมนี้มีกรรมกริยาที่ดีเลื้องานเท่านี้งานของอาราหันต์เลื้อเท่านี้ตัวท่านเองท่านทำกรรมของท่านมาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะกรรมของท่านไม่มีแล้วที่จะชั่วจะเลวจะบาป ไม่มีละก็เหลือแต่มาช่วยคนอื่นสันค่าสร้างคนมาช่วยเลือกเฟ้นกรรมที่จะทํากับคนบอกกันสอนกันแนะนํากันทําเป็นตัวอย่างบอกให้ทําช่วยกันทําเป็นตัวอย่างเช่นเรากําลังทําตัวพวกเราให้มีกรรมกริยาอย่างนี้แหละเหมาะสมอยู่ที่นี่แล้วก็ทําองค์ประกอบเหมาะสมที่นี่ ออกไปสัมพัสกันที่อื่นแล้วก็ประมาณขนาดอื่นควรเท่านี้เท่านี้เท่านี้บางอย่างเราก็ยอมอนุโลมจากที่นี่เราไม่ทำล้วถ้าเป็นที่นี่เราไม่ทำไปที่น้นเราก็ต้องอนุโลมล้วก็ต้องทำอย่างนั้นตรงนั้นเพราะมันควรในขณะนั้นกาละนั้นณะที่นั้นองค์ประชุมปริชัสัญยุตาที่นั่นตรงนั้นเราก็ต้องทา ตามสัพริสธรรมที่เราจะมีภูมิรู้รู้จักเนื้อแท้เนื้อแท้เรียกว่าอัฏฐะแล้วก็ธรรมะก็เรียกว่าทุกๆอย่างที่เรารู้ว่าทำขึ้นหรือว่ามันจะเป็นธรรมะมันจะเป็นกุศลหรือเป็นอ ก, กุศลและทำรรเราเป็นผู้ทรงธรรมที่เป็นธรรมะต้นธาตุต้นทางที่จะร่วมกรรมกิริยากับเขาก็เป็นเลือกเฟ้นสรรค่า ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้มีผลให้มีการตัวสังเคราะห์ตัวเกี่ยวข้องที่จะอยู่ในสังคมมนุษย์เนี่ยเกิดสภาพที่ดีขึ้นไปให้แปลเปลี่ยนนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เจตนาของพระอาหารหันตุกองค์ที่จะอยู่กับสังคมเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสรุป ผลของอาราหันตุกองเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระหุชนะหิตายพระหุชนาสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นคนที่มีประโยชน์หิตะพระหุชนาหิตายะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ตะมวนมนุษยชาติและก็พามนุษย์ชาติอยู่เย็นเป็นสุขพระหุชนาสุขายะเป็นผู้รับใชโ้โลกโลกาโนกัมปา แปลอย่างพราๆว่าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกช่วยเหลือโลกแปลอย่างสวยๆแต่แท้จริงก็คือท่านรับใช้รับใช้มนุษย์โลกนี่แหล ะ, ะรับใช้สังคมรับใช้มนุษย์โลกมวลมนุษยชาติ เทตมามพยายามอธิบายไล่มาละเอียดนี่ก็จะได้รับทราบว่าถ้ามีปฏิพานเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าศึกษาอย่างที่อัตมามอธิบายมาแต่ต้นจนถึงขณะนี้เมื่อกี้นี่มาจนถึงขณะนี้เริ่มต้นมาขยายความมานี่แหละที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้คนเป็นเช่นนี้แหละ เพราะมีปัญญารู้แล้วก็มีความจริงของจิตจริงตรงที่ว่าไม่มีเหตุแห่งความชั่วแล้วที่เรียกมันว่ากิเลสมันไม่มีจริงๆในจิตเพราะจะจะทำยังไงมันก็ไม่มีสิ่งที่มันไม่มีทำยังไงยังไงมันก็ไม่มีสิ่งที่มันไม่มีมันไม่มีจริงๆนะมันไม่มี พระพูดที่ไม่มีสิ่งที่ว่านี่แหละจึงเป็นสุดยอดแห่งสั์โลกประเภทจิตนิยามเป็นสัตว์ประเสริฐสุดภาษาบาลีก็บอกว่าณนะโหติณนะโหติไม่มีเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่กับโลกอย่างผู้ที่ไม่มี ไม่มีสิ่งที่จะทําอะไรที่เป็นเหตุให้เป็นโลกเป็นเหตุให้เป็นความทุกข์เป็นเหตุให้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีจึงชูจึงชื่อว่าเป็นผูท้ที่เป็นผู้ที่ไม่มีในโลก เรียกว่าโลโลโลเกณนัตถิตาเป็นผู้ไม่มีในโลกโลเกณนัตถิตาผู้นี้แหละคือนาโหติชื่อว่าผู้ไม่มีเพราะท่านมีมโนหรือจิตอันประเสริฐที่เป็นต้นธาตุต้นธรรมแล้วท่านมีแล้ว ตัวนี้จึงเป็นพฤติกรรมเป็นมโนโปุพังขามาธมาเป็นตัวต้นท่าต้นธรรมที่ทํามีอันนี้แล้วมีอย่างมนุษย์สุดยอดแล้วคือมนุษย์ไม่มีนะโฮติเพราะจะถจึงเป็นโลเกนะอัติตาซาณโฮตินี่คือเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ อาตมาได้ยินแววแวๆมาว่าเนี่ยนิสิตเรานี่มีมีไปพูดว่าเอไอมีไม่มีนี่ทำไมนะมันคืออะไรกันผมทำไมมันไม่เข้าใจได้ไม่เข้าใจได้ยังไงไอมีก็ไม่มีเนี่ย เขาไม่เข้าใจได้ยังไงมีก็ไม่มีนั่นนะสิไม่เข้าใจได้ยังไงฮะอะไรฮะความมีความไม่มีในโลกในปฐม บ, บิดกเร่ม1สิบหกข้อสี่บาเยมาพูดถึงแล้ว นะแลวพระพุทธเจ้าเขาก็ตรัสว่าไอ้โลกนี้เนี่ยโดยมากอาศัยส่วนสองอย่างอะอะไรบอกว่านามรูปเป็นชนเวทนาสาัญญาเจตนาผัสสะมนุสิ ก, กานอะไร อะไรก็ถูกแล้วไ ง, อ, ง, อ, งอะไรต้นทา ง, อ, ทางอ้าวก็ถูกแล้วไงออ่าท่านมีคําถามหน่อยเดียวผู้ถามถามว่าสมาธิิสมาธิินั้นน่ะมันด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ว่างั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ชื่อว่าสมาธิพระเจ้าตรัส ว, ว่า โลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีกับความไม่มีความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งสองอย่างก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกอัตมาอธิบายไปก่อนใ้ ว, วันก่อนเกิดแห่งโลกคือโลกสมุทรไท ย, ไทยด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกนี่แหละคือโลกเกณัติตา ซาณโหติย่อมไม่มีความไม่มีในโลกย่อมไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกคือโลกนิโรธด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีเพราะงั้นคนที่ไม่มีสภาวะคนที่ไม่มีทั้งปฏิภาณปัญญาที่จะสามารถเข้าใจได้ เพราะมันเป็นเรื่องสุดยอดแห่งต้นท่าต้นธรรมจริงๆสุดยอดแห่งต้นท่าต้นธรรมนะเพราะงั้นคนที่จะถึงขั้นดังกล่าวนี้อย่างน้อยสามารถที่จะฟังเข้าใจได้ก็คือคนที่มีภูมิธรรมพอที่จะศึกษาจะเข้าใจลำลำเลืองๆ เ, เข้าใจเล็กๆน้อยๆก่อนก็ยังดีไอ้ที่ไม่เข้าใจเลยก็อย่าพึ่งไป ลงโทษตัวเองว่าเราโงา่เราไม่สามารถจะรู้ได้เราไม่สามารถจะฟังได้จะเข้าใจไม่ได้อย่าเพิ่งไปลงโทษตนเองก็ก็ฟังไปก่อนอรับไปไว้เรื่อยๆยังไงก็ว่าไปก่อ น, นค่อยๆเก็บความรู้สร้างไปตามลำดับที่ท่านสอนว่าเราจะทำอะไรตามลำดับยังไงยังไงยังไงก็ไปวาากันไปนะ ว่าในรายละเอียดนี้อาตมาจะยังไม่ลงอันนี้เอาไว้มันจะเอาไปขยายในเรื่องของทางศาสนาหรือทางพุทธจิวสินนะไอ้ตอนนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องคนแต่มันคนมันก็ต้องเนื่องโดยธรรมะทั้งนั้นแหละการสรรค่าสร้างคนก็ต้องคือสร้างธรรมะเป็นตัวประธานใหญ่ก็ต้องเรียนรู้ธรรมะเป็นปตัวประธานใหญ่มันทิ้งกันไม่ออกหรอก แต่นี่พูดองค์รวมแล้วพูดในลักษณะพวกนี้มาก่อนแต่มันจะไปทิ้งธรรมะไม่ได้พูดยังไงก็ต้องเอาธรรมะมาเป็นตัวประกอบในการที่จะอ้างอิงยืนยันไปตลอดนะเพราะงั้นตอนนี้ก็ยังจะไม่ขอขยายอธิบายความว่าความไม่มีในโลกย่อมไม่มีหรือว่าความมีในโลกย่อมไม่มีลงท้ายคือไม่มีไม่มีทั้งสองตัว แต่อันนึงท่านบอกว่าความไม่มีในโลกย่อมไม่มีนั้นเป็นของบุคคลผู้เห็นความเกิดแห่งโลกหรือผู้ยังมีสมุดไทยของโลกเรียกว่าโลกสมุดไทยผู้เห็นความเกิดแห่งโลกตามที่ท่านแปลนี้ถ้าผู้ที่ยังมีสมุดไทยผู้นั้นก็ทำให้เกิดความเกิดอยู่ผู้นั้นทำให้เกิดความเกิดในตนให้ชัดๆก็คือทาให้กิเลสเกิดอยู่ ทำให้กิเลสในตนและทําให้กิเลสให้เกิดกับผู้อื่นแต่ถ้าผู้ใดที่ตนเองก็ไม่ทํำให้กิเลสเกิดในตนและไม่ทํากิเลสให้เกิดผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าผู้ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีบาปแท้จริงแม่บุญก็ไม่มีแต่มีแต่กุศลอย่างกุศลไดถึงพร้อมอย่างเดียวบุญก็ไม่มี คือท่านบุญคือการชำระสันดานของตนสันดานก็คือสันดานที่มันเป็นส่วนกิเลสกิเลสที่อยู่ในสันดานเมื่อล้างกิเลสในสันดานหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องทำบุญอีกเป็นผู้สิน้นบุญสิ้นบาปปุญญะปาปะปริกีโนเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วปุญญะก็บุญและปาปะก็คือบาปปุญญปุญญปาปะ ปริคีโนแปลว่าสิ้นหมดไม่เหลือไม่มีเพราะคนคนนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีไม่มีบาปไม่มีความชั่วไม่มีอะไรไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยเพราะท่านไม่มีเหตุหมดสมุดไทยแล้วอยู่ในโลกจะอยู่ในโลกจะทำอะไรอยู่กับโลกจะสร้างโลกจะทำอะไรกับโลกก็คือคนของพระเจ้าหรือคนคือคือพูดที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าสร้างโลกสร้างธรรมะสร้างสิ่งที่ ไม่มีบาปเป็นผู้ไม่สร้างบาปแล้วเพราะท่านมีนิโรธบุคคลเห็นความดับและก็เป็นโลกนิโรธมีปัญญารู้ตามจริงนิโรธแล้วเพราะฉะนั้นผู้นี้จึงคือผู้มีในโลกเป็นผู้มีมีอะไรมีพฤติกรรมมีสิ่งที่ดีงามมีสิ่งที่ประเสริฐมีแต่สิ่งที่เป็นธรรมเป็นธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นแต่ธรรมเป็นธาตุาสิเป็นธรรมไม่มีอธรรม ไม่มีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยไม่มีสิ่งไม่ดีเลยเพราะท่านเป็นผู้ไม่มีท่านไม่มีทั้งตัวเองแนละท่านไม่มีทั้งอยู่กับโลกท่านก็ให้กับโลกหมดท่านไม่มีอะไรนี่ท่านก็ให้ทำให้กับโลกและท่านก็ไม่ยึดโลกเป็นเราด้วย แม้แต่ท่านเองถ้านยังไม่รู้ตัวท่านเป็นท่านเลยท่านไม่มีอะไรอ่ะไม่มีไม่มีอะไรหมดเลยเพราะคาว่าไม่มีจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทูลตัดว่าโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีกละความไม่มีเพราะฉะนั้นพูดที่เป็นสุดยอดอย่างนี้แล้วจึงอยู่กับความมีกับความไม่มีเท่านั้นไม่มีอะไรไม่มีผิดไม่มีชั่ว ไม่มีบาปไม่มีภัยไม่มีโทษเป็นต้นแต่ท่านมีไหมท่านมีสิ่งที่ดีจริงๆท่านมีไหมไม่มีเพราะท่านไม่มีอะไรท่านไม่รับอะไรเป็นเราเป็นเราของเราถ้าไม่มีเราไม่มีของเราถ้าไม่มีอะไรตัวต้นถ้าไม่มี อัตภาพถ้าไม่มีมีแต่พลังงานรับใช้ผู้อื่นอยู่ในโลกโลกาโุกัมปาฟังแล้วหูหักไหมสรุปแล้วอาศัยส่วนสองอย่างอาศัยส่วนที่มีกับส่วนที่ไม่มีความมีและความไม่มี ท่านอาศัยความมีเท่านั้นแต่ท่านเป็นผู้ไม่มีทำให้ก็ทำไปไม่มีไม่มีบาไม่มีภัยอะไรทำไปแล้วก็มีไปยึดไปเป็นตนของตนด้วยไม่มีท่านอาศัยความมีเท่านั้นอยู่กับความไม่มีในโลกนี่คือสองอย่างอาศัยสองอย่างผู้ที่สุดแล้วก็อยู่อย่างนี้เพราะท่านได้ดับสมุทยัยอริยสัจหมดแล้วในตัวเอง มีนิโรธนิโรดนิรันมีนิโรธนิรันมีแต่ความดับความเป็นโลกสำหรับตนแต่อยู่กับโลกอาศัยโลกเขาก็อยู่กับโลกช่วยโลกโล ก, กานุ ก, กัมปาเท่านั้นเองนะอันนี้คือสรุปลงตรงที่มันลึกซึ้งที่สุดนะเอาทีนี้ก็มาต่อว่า เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตนิยามแล้วเนี่ยจิตนิยามของสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์นี่แหละฉลาดได้ที่สุดรู้ได้มากที่สุดแล้วรู้ชั่วก็รู้รู้ดีก็รู้รู้ชั่วอย่างโง่โง่รู้ชั่วยางอวิชชาและหลงชั่ววดีอ่าแล้วก็ทำ ชั่วนั่นมาให้แก่ตนจะเป็นคนโง่โง่เขารู้นะว่าไอนี่อย่างนี้ที่จริงนะมันชั่วแต่เขาบางทีนะ่ะนึกว่ามันดีแต่เขาก็รู้ว่ามันชั่วแต่เขาติดมันติดมันหลงมันยึดมันเขาก็เลยทำแต่ชั่ว เมื่อทำชั่วนั้นแล้วมันก็เป็นของต น, นยิ่งหลงยิ่งโง่ก็ยิ่งสะสมไปมากมากมากมา ก, มากชาติแล้วชาติเล่าคนที่ชั่วอย่างนี้แหละก็ชั่วเร็วหนักหนาสาหาัสขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ตราบใดที่ยังไม่มีใครมาชี้ชัดเจนมนบอกชัดเจนว่าอย่างนี้ไม่ควรทำอยู่ในโลกอย่าไปคิดยึดอย่างนี้ว่ามันดีที่จริงมันชั่วคนก็จะไม่มีการแก้ไขผู้ที่จะแก้ไขผู้ที่จะรู้สิ่งนี้คือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์งเกิดเมื่อไรไม่รู้ไม่รู้ต้นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเกิดเมื่อไรไม่มีคาตอบไม่รู้ที่ต้น พระพุทเจ้าเองก็ตรัสว่าไม่รู้ที่ต้นเมื่อไรเพราะมหาจจกวานนี่เราไม่รู้มันเกิดเมื่อไรคุณไปตอบใชว่ามหาจักวานนี่มันเกิดด้วยเอกภพนี่มันเกิดตั้งแต่เมื่อไรอะ่ะถามใครก็ไม่มีใครตอบให้คุณหรอกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลหรือไม่มีความจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องไปถามคุณเรียนรู้เพื่อที่จะดับเหตุที่มันชั่วนี่ตอนนั้นก็พอแล้ว ถ้าคุณจะมีพลังงานตัวจิตนิยามนี่อยู่เป็นอัตภาพของคุณตลอดไปคุณก็ทำอันของคุณนี่แหละเรียกว่าอัตภาพอันของคุณนี่ให้มันมีหลักประกันอย่างแน่นอนเลยนี่นรันเรียกนิรันดอนก็ได้เป็นนิจังทุวังสัสะตังนั้นยั่งยืนมั่นคงถาวรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเลยให้ได้โดยมีหลักประกันว่าคุณไม่ทำชั่วไม่ทาชั่วไม่ทาบาป ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วยืนยันได้ว่ามันเป็นของจริงไม่ใช่สิ่งเพอ้อเพอ้ฝันเป็นสิ่งที่เป็นได้พิสูจนได้ทุกยุคทุกการธาตุสมาธิฐิโลกไม่ว่างจากอรหรันมีปฏิบัติดีบรรเติชอบยุติราบใดโลกไม่ว่างจากเพราะอรหรันไม่ไม่ว่างจากสิ่งที่ประเสริฐสุดนี้ นอกจากว่าโลกนั้นในขณะนั้นมนุษย์มันไม่มีแล้วลักษณะที่ไม่ดีข อ, ขอไปลักษณะที่เป็นความรู้ที่จะทําให้เกิดอรหัตผลหรืออรหันนี้ได้ความรู้ของพระเจ้าอันนี้โลกุตตรธรรมหรืออาริยธรรมนี้มันไม่มีแล้วคนเข้าใจไม่ได้เพราะคนนั้นเป็นตัวรองรับจิตนิยามของคนที่มาเกิดอยู่ในร่าง มีร่างแล้วก็เกิด น, นั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นตัวรองรับถ้าในโลกนี้มันไม่มีเลยในใครๆขณะนี้โลกอยู่ในพลโลกเจ0ดพันล้านมันไม่มีเลยคุณก็หาเอาไม่ได้ต้องรออัตภาพของผู้ที่มีอันนี้เกิดมาประกาศเกิดมาบอกให้แกโลกจะเป็นตัวองค์ต้นธาตุต้นธรรมที่สูงสุดเลยว่าพพุทธเจ้าก็ตาม หรือจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่มีสิ่งนี้ขึ้นมาให้แก่โลกได้เพราะมันไม่มีแล้วหาเองทำเองไม่ได้สร้างเองไม่ได้ต้องได้รับเชื้อมาจากต้นทาตต้นธรรมนี้ก่อน พรังงานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ปรินิพภานเป็นผู้สืบทอดอันนี้อยู่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในระดับหนึ่งไปถึงพระโพธิสัตว์ระดับนั่นแหละระดับก้าของพระพุทธเจ้าก็ตามก็มีเชื่อจริงทั้งนั้นพระเจ้าจะไปหมดเชื้อเอาเมื่อเหลือแต่โสดาบันพอโสดาบันหมดแล้วไม่มีแล้วหมด เชื่อแล้วโซดาบันก็ไม่มีอยู่ในมวลมนุษย์โลกแล้วจากนั่นไปก็ไม่มีอีกจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเข้ามาประกาศใหม่เป็นช่วงที่ว่างจากความรู้ความสามารถในการที่จะทําต้นธาตุตนธรรมอันประเสริฐอันนี้นทีนี้ความรู้ที่เรียกว่าจิตนิยามเป็นปัญญาเนี่ย เออจะมาถามก่อนเถอะปัญญายมาถึงขนาดนี้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วจะครึ่งละมันดีไหมเนี่ยมันฟังแล้วมันเข้าท่าไหมฮะฮะฮะไอเนียบเกลีเลยไม่ก็ดูกระดิกเลยไม่ไม่ตอบรับอะไรมากมายแต่ก็รู้ว่าไม่ง่วงรู้ว่าก็มองตั้งใจมากอะ อ่าอ่าอ้าวต่อท่านั้นที่นี้คนนี่แหละตั้งแต่โบราณมาแล้วคนยังไม่ได้มีพัฒนาการทางปัญญายังไม่มีพัฒนาการทางปัญญาก็อยู่กันอย่างสังคมหรือสัตว์โครงที่อยู่กันอย่างสัตว์โขลงและมีหัวหน้านะมีผู้นำมีผู้รู้มีผู้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดมีผู้รู้ผู้ฉลาดนำโม ผู้รู้ผู้ฉลาดนําหมู่นั้นก็จะมีความรู้ในชนิดที่เข้าใจวัตสิ่งนี้ดีไม่ไม่กประเสริฐดีมีมีความรักเพื่อนฝูงรักมวลมนุษย์ชาติและก็มีความพิเศษรู้มากก็ใครๆครนรู้มากก็ใคใครและก็ใช้ความรู้ความสามารถนั้นยังเรียกว่าดีตามความหมายของโลกสมมติ โลกวันนี้ดีนี่นี่ควรนี่ถูกัตามสมุติภาษาก็ทำอยู่กับสังคมโดยมีความรู้ความสามารถพาสังคมสรรค์่าสร้างคนมาตลอดโดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เรียกว่าผู้นำหมู่และผู้นำหมู่อันนี้มีภูมิปัญญานี้ ซึ่งรู้ยากแต่มีจริงซื่อสัตย์จึงเป็นผู้นำโคลงเป็นผู้นำสังคมเป็นผู้นำของมวลมนุษย์เรียกว่าผู้นำเรียกว่าหัวหน้าอา่าเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ภาษาต่างๆที่จะใช้จนกระทั่งมาใช้คำว่าพระเจ้าแผ่นดินก็สัตย์เรียกอะไรก็แล้วแต่ตามภาษาไทยในะภาษาอื่นก็อาตมาไม่ค่อยรู้มาก ภาษาไทยจะเรียกตั้งแต่ว่าหัวหน้าเจนกระทั่งอยู่ในถิ่นในแดนก็เรียกว่าเจ้าเจ้าเมืองเจ้าแคว้นเจ้านาครก็ภาษาต่างๆพวกนี้เมืองไทยยังใช้คําว่าขุน เ, เรียกคําว่าขุนอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้ก็เป็นหัวหน้าทุกคน ศรัทธาเริ่มใสเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญามีความมีจิตนิยามมีจิตฉลาดกว่าเพื่อนและก็เป็นจิตที่ช่วยช่วยสังคมทํางานสรรค์า่าสร้างคนมีความรู้ที่เอานำมาออกออกมาทำอะไรๆเหมือนมีฤทธิ์มีเดชมีธาตรู้ที่รู้อธิบายไม่ได้คนอื่นก็รู้ไม่ได้เพราะคนอื่นก็ไม่มีความเฉลียวฉลาดที่จะรู้พอสิ่งนั้นจึงลึกลับ มันเออผู้นี้มีสิ่งที่ประเสริฐทำได้อย่างแสดงกายกรรมวจิกรรมแล้วทำโน่นนี้ได้เหมือนสิ่งบรรด o บันดาลเหมือนสิ่งมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่ามันมายังไงเป็นยังไงคนยังไม่เจริญในความรู้ที่ลึกไปถึงขั้นจิตวิญญาณเป็นประธานแต่มีละมีลักษณะพวกนั้น อ, อ่ามีลักษณะที่ดี พอดีเข้าดีมาต่อมาต่อมามันก็เป็นกิเลสมันก็จะเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยนะแล้วมันก็จะเร็วลงเร็วลงคนก็จะค่อยๆศึกษารู้ตามรู้ศึกษากันขยายแพร่ความรู้ความเจริญนวาตารมความฉเฉลียวฉลาดก็จะเกิดก็ด้เรื่อยๆคนอื่นก็สามารถที่จะรู้สามารถที่จะดีสามารถที่จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดได้และก็รู้ได้ว่า ปฏิพานของคนเนี่ยเห็นแกคนอื่นช่วยคนอื่นได้เนี่ยเป็นลักษณะที่มันมีลักษณะสูงกว่าสัตว์เดรดยฉานทั้งหลายคนเนี่ยช่วยผู้อื่ น, นาการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีดีจริงๆเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสร้างสรรค์ศิสราอะไรได้ดพิเศษอันนี้มันเป็น ของมนุษย์โลกที่ทำได้ยิ่งกว่าสัตว์อื่นสัตว์อื่นทำไม่ได้เท่ามันไม่รู้ตัวหรอกมันไม่รู้หรอกอันนี้มันดีไม่ดีมันรู้เหมือนกันมันรู้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่เก่งทุกคนมันพอรู้แต่คนนี่รู้ได้ดีเป็นที่ยอมรับกันทั้งนั้นคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและประโยชน์นี่ก็ยังมีรายละเอียดว่าประโยชน์เพื่อตัวเอกตัวกูของกูหรือประโยชน์เท่าที่ตัวจาเป็น คนอื่นก็จจำเป็นเหมือนกันก็แบ่งไม่ยึดไปของตัวของตนนัน่นเป็นความประเสริฐของคนซ้อนไปอีกเป็นความประเสริฐที่ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกสรุปแล้วคนที่ทำดีรับใช้ประชาชนมาแต่ต้นคนอื่นได้อาศัยเพราะมีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถที่จะช่วยทั้งป้องกัน รักษาทั้งช่วยให้เป็นอยู่ที่ดีอะไรต่างๆนานาจึงเป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่ยอมรับเป็นผู้ประเสริฐนะแต่ก็ไม่มีความรู้ที่จะอธิบายว่าอันใดโ น, น้มันพาให้เราทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีความรู้แต่ทําทําได้ดีคนเหล่านี้ จึงเรียกกันว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐสูงสุดเรียกว่าเป็นหัวหน้าเรียกว่าเป็นครูเรียกว่าเป็นปุโรหิตเรียกว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นาศาสตาต่างๆแล้วก็ช่วยมนุษย์โลกโดยที่พอบอกได้ แม้แต่ล่วงหน้าแม้แต่ว่านนนะ่มันดีระโนนี่ยนะจะดียงโ้นอย่างนี้เหมือนกับคำพยากรณ์คำทำนายเป็นผู้รู้จริงๆรู้แล้วก็บอกไปได้แล้วก็พาทำพาทำพาทำแต่เป็นความรู้ที่อธิบายรายละเอียดไม่ได้รู้ได้แต่สิ่งที่มีที่มีที่เป็นตัวสภาพแต่รายละเอียด แล้วมันเริ่มจากอะไรมาจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่มามีอะไรเป็นเรื่องต่อมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยนะมีอะไรเกิดก่อนแล้วก็มีการไอตัวเกิดนั้นมันก็จะต้องมารวมไอสิ่งที่มันมีต้นทางต้นทุนของคนแต่ละคนอีกแล้วมันก็จะมาเลือกสังเคราะห์ตรงนี้อีก การสังเคราะห์สังขาเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่สำคัญมากและมันก็จะออกมาเป็นผลอันอื่นๆต่อไปซึ่งคนสมัยนี้ความรู้สมัยนี้ความรู้ทั้งโลกเขาเขาเรียกว่า analysis อไอมีตัวนี้มาเป็นตัวต้นตัวเหตุเรียกว่า input แล้วก็มา Proces ิพอไอ้ตัวนี้ใสเข้ามาแล้วมันก็มาสังเคราะห์กันตรงนี้ประเสริฐมาจัดการกันตรงนี้แล้วมันก็ออกมาเป็นเอาเอาพุทธแล้วก็มาเป็นผลต่อมาเป็นเอาคำมันจะค่อยคอย่คอยทยอยจงกระต้องเป็นผลปลายสุดเป็นอิมแพกอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมัยนี้ก็เลยมีสูตรพวกนี้มาใช้อยู่อันเดียวกัน่ะ ศาสนาพุทธในรู้ดีเลยนี่คืออิทัปัจจยตาทุกอย่างมาแต่เหตุหรือปัจจัยาการทุกอย่างมาแต่เหตุเพราะฉะนั้นจึงรู้ต้นทางทั้งแต่จะใส่เข้าไปที่จะเกิดต้นทางเป็นมโนปุพังกมาธรรมาเพราะจะทำอะไรกับโลกแม้ตัวเองไม่มีแล้วตัวเองนจะได้รับโทษภัยก็ไม่เป็นไร แต่ทํากับผู้อื่นนี่คำนวณประมาณท่านี้ควรก็ทําดีที่สุดแล้วก็จะไม่ไปผลสะท้อนมาให้ตัวเองได้รับโทษรับภัยอันนี้เป็นสัญชาตญาณของทั้งสัตว์โลกและมนุษย์มันย่อมไม่ทําอยู่แล้วสุดวิสัยกันแล้วไปถ้าเผื่อว่ามันสุดวิสัยแล้วมันต้องรับวิบากรับโทษรับภัยนั้นก็ต้องยอมรับไป แต่จริงๆแล้วก็ประมาณแล้วว่าไม่เป็นโทษที่จะมาทําให้ตัวเองต้องทรมานทุกข์ร้อนอันนี้สัตว์โลกมันก็ไม่ทําเพราะคนยิ่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วขึ้นไปจะทํางานกับผู้อื่นใครจะไปะเจตนาทําให้ตัวเองเพอเป็นลักษณะมาสคิสลักษณะตนเองได้รับก็เถอื่นมาทำร้ายให้เราตัวเราเจ็บเราปวดเราทรมานเนี่เราชอบอันนั้นมันวิถีมันไม่ใช่สามัญซึ่งพระอาหารหันต์เป็นไม่ได้แน่นอน นอกจากมนุษกวิถีฐานเท่านั้นนะพราะก็จึงทําอยู่กับโลกเขาเนี่ยจึงมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นเป็นตัวหลักตัวเองก็รู้แล้วว่าอันนี้มันประมาณเป็นแล้วว่ามันไม่ทํามาจะเป็นสัญชาตญาณมาแต่ในแตน่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ทําเพราะงั้นเป็นมนุษย์มันก็ไม่ทํามันมีการประมาณมีคํานวณอยู่แล้วและยิ่งมาเรียนรู้ตามทฤษฎสดียเจ้าแล้วนี่ความไม่ประมาณ มันมีจริงๆเลยเป็นคุณสมบัติอันแน่นอนของผู้ประเสริฐพวกนี้ก็จะใช้ความไม่ประมาทและก็ย่อมไม่ทำอะไรให้เป็นโทษตนแน่นอนอนอกจากสุดวิสัยก็ทำให้เกิดแต่ประโยชน์ผู้อื่นตลอดไปเพราะฉะนั้นจะป้อนอะไรเป็นอินพุตไปให้แก่สังคมก็จะต้องพยากรณ์ได้ว่าผลมันจะออกมายางั้น impact สุดท้ายเป็นผลสุดท้าย ก็จะทำได้อย่างแท้จริงอาจจะผิดพลาดบ้างตามควา ม, วามสมควรทางฝ่ายเสียงทางเทคนิคก็บอกว่าให้พูดเพิ่มขึ้นครับโอ้โหอาตมาจะสอนทุกวันได้ให้อาตมาลงพลังงานมากๆในทางเครื่องเทคนิคน่คนาจะช่วยอาตมาให้อาตมาเพิ่มเนี่ยอาตมา แต่จฝัฝนมันฝนมันทําลายเสียงดังก็เลยต้องลําบากหน่อยนะอ้ า, อาก็พยายาม เ, าเครื่องเสียงมันทําได้แค่นี้ดังแค่นี้มันน่าจะดังกว่านี้ได้ก็เอาเถอะได้แค่นี้ก็ว่าไปอาตมาก็พูดไม่เบาอยู่แล้วนะอาอตมาก็ว่าอาตมาไม่ใช่คนพูดเบาอย่างท่านดินไทยเนี่ยโอ้โหอาตมาฟังทีไรก็ต้องเงี่ยหูฟังอาตมาไม่รู้ว่าคุณเสียงของท่านดินไทยเนี่ยมันเท่าไหร่ นะไอคลื่นเสียงของท่านนี่นะอาตมาฟังท่านพูดอย่างนั้นนะท่านเบาๆทำไมไม่เคยไม่เคยเห็นท่านพูดดังเลยในดินไทยท่านก็พูดประมาณอย่างนั้นนะเรของเคยเคยได้ยินนะมันเป็นเป็นของท่านเองนะอาตมาพูดไปแล้วว่าผู้ที่นําเพื่อนคนนี้จงกระทั่งสามารถ บอกคนอื่นคำนวณประมาณพยาเหมือนพยากรณ์ได้แต่บอกไม่ได้ว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไงรู้และก็แม้คนอื่นถามบอกนําหน้าก็ได้แต่รู้แลวก็ทาพาทำตลอดเวลาผู้ที่หูเป็นหัวหน้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าศาสด า, า, าพยากรณ์เรียกว่า Prophet เพราะงั้นท่าน Pro ฟสนี่ก็จะอยู่กับโลกเขาอย่างเป็นโปรเ phe ซี่ เป็นความรู้อย่างโปรเฟซีเขาไม่เรียกโปรเขาเรียกอ่าน prop p r o p h e c อัอตอมามันก็เป็นอังกฤษคินกฝรั่งคินกก prophecy นะเป็นคำพูดคำบอกอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ที่นี่ถ้าคนศรัทธาเรื่อมใสแล้ว แม่เขาฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องรมมาจากเหตุอะไรแล้วจะเป็นผลอะไรยังไงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเ้าศรัทธาเ้าตามหมดแหละเขาตามหมดแหละเป็นศาสดาที่คําที่พูดให้ใเป็นคําแม้จะบอกล่วงหน้าแม้จะบอกขึ้นมาพวกคุณก็ไม่รู้พวกใครก็ไม่เข้าใจพวกหมู่บริวารก็ไม่รู้เรื่องแม้ไม่รู้เรื่องเขาก็ทาตามเพราะท่านเป็นผู้ที่ซื่อ สื่อสัตว์สุจริตหวังดีต่อทุกๆคนก็ทำดีสุดที่ก็เป็นความรู้ที่ยังไม่ค่อยรู้แต่เป็นความรู้ที่ดีมันเป็นความรู้ลับลับลึกๆอยู่ของผู้รู้นั้นเพราะงั้นศาสดาอันนี้เป็นศาสดาชนิดที่ยังไม่เจริญทางปฏิจจสมุปบาทยังไม่ไปเจริญทางอิทธิปัจญตา ยังไม่เจรินตามอะไรกันหลักอะไรอิอนเทลไลซ์ s ิสเเ ม, มื่อกี้หลักมี Input มี Process มี Output o u t อา m e แล้วก็เป็น Impact อะไรนั่นะเมื่อกี้มันยังไม่รู้จากเหตุปัจจัยพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีเหตุนิทาน Process นี่คือนิทานเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยผล เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยผลนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าในพระธรรมปยดเล่มสิบข้อหกสิบอันนี้เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเนี่ยในพระธรรมปยดเล่มเล่ม10บข้อหกสิอันข้อเดียวกันกับที่ท่านพูดท่านตรัสถึงเรื่องอาการลิงคัิมิตุเทศที่รู้นามรูปนี่แหล ะ, ะเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเนี่ยผลเนี่ยก็ น, นี่แหละอันนี้ ซึ่งสมัยใหม่นี่ก็เรียนเนี่ยอันนาร์ไลซ์ซีสเนี่ยเ้าก็มีแต่ขบุคคลเจ้าน่ใช้มาก่อนแล้ว 2,600 กว่าปีแล้วนะมันเป็นหลักของอิทปัจจ ย, ยตาเป็นหลักปฏิกิริยาลูกโซ่ของเหตุและปัจจัยของเหตุและผลทุกอย่างมาแต่เหตุนะแต่าศาสดาพยากรณ์เนี่ยไม่ค่อยรู้เหตุ เอาแต่ผลมาพูดเอาแต่ผลมาใช้ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจเพราะความรู้ของคนรุ่นนั้นจึงทําให้คนรุ่นต่อมาอยากรู้แล้วมันมาจากเหตุอะไรก็หาเหตุหาผลฟิลโลโซฟีหาเหตุหาผลฟิโลโซฟีนะ หาเหตุหาผลก็ทำศึกษาหาพิสูจน์ให้มันจับต้องได้ให้มันรู้จักเหตุยังงั้นต้องไปจะเป็นนามมาทำก็ตามเป็นพลังงานที่ละเอียดก็ตามก็พยายามแต่พวกที่ศึกษาทางฟิลโญฟีฟลโฟีเนี่ย มันก็ได้ความรู้ระดับหนึ่งก็เรียกกันว่าภาษ า, าบาลีก็เอามาใช้ปรัชญาปรัชญาอะไรก็ปัญญานี่ยแหละความรู้นั่นแหละความฉลาดนั่นแหละมันก็ได้ระดับหนึ่งที่ยังเข้าไปถึงจิตยังไม่ได้นะจึงมีผู้รู้สองสองชนิดผู้รู้ชนิดที่ทําได้ทดําดีแต่ไม่ค่อยรู้เหตุรู้ผลอีก จำนวนหนึ่งอีกภาคหนึ่งก็รู้เหตุรู้ผลแต่ทําไม่ได้ไม่ดีเท่าคนที่ทําได้ทาดีเรียกว่าแบ่งเป็นสองสองฝ่ายสองสายสายหนึ่งเรียกว่าสายศรัทธาสายหนึ่งเรียกว่าสายเจโตสายศรัทธาหรือสายสายศรัทธาหรือสายเจโตอีกสายหนึ่งเรียกว่าสายปัญญาหรือราสายปัชญาสาย ปัญญาหรือสายปริญญาสายปัญญาเนี่ยปริญญาปัญญาปรัต ญ, ญานี่เป็นเป็นความรู้ก็รู้เหตุรู้ผลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแต่ ย, ยังยังลงไม่ถึงจิตก็เลยมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกอยากรู้ให้มันเอ๊มันต้องลึกลงไปถึงอะไรไปหาธรรมหาธรรมธาตุหาธรรมชาติมันเกิดตรงไหนชาติคือแปลว่าความเกิด ก็ยังศึกษารู้เพื่อที่จะรู้หนักเข้าไปอีกหาทาง ร, ร, รู้รู้จึงพยายามที่จะค้นคว้านะค้นคว้าโดยไม่ไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนไ้หมดแล้วยังไม่ได้หรอกก็ไม่เป็นไรเขาก็หาอีกเพราะความค้นควายรู้ทฤษฎีในวิชาการแนวเนี้ยพยายามจะรู้ลึกเข้าไปจนกระทั่งยังเข้าไปถึงธรรมชาติของจิต ธรรมธาตุธรรมชาติของจิตที่เป็นธรรมธาตุที่อาตมาขยายธรรมธาตุมาแล้วเขาก็พยายามจะมารู้เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของจิตที่มันเกิดเป็นธรรมธาตุลึกเท่าใดเขาก็พยายามเรียนรู้จึงมาเรียนรู้ต้นมองต้นอ่านต้นก็ไปอ่านกรรมกิริยาของตนเองก็ศึกษาเพิ่มขึ้นก็เกิดความรู้มากขึ้นผู้รู้อย่างนี้ก็ ได้รับการรู้ทางเหตุและผลมากมีความเฉลียวฉลาดในทางข้างนอกเข้าไปหาข้างในมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นแต่ยัง prophecy นะไม่เคยรู้ระบบเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่ทาวรยังมีอยู่ในโลกตลอดเวลาสายเจโตนี่สายสายเจโต้สายศรัทธาจะมีอยู่ในโลกตลอดไป สายที่ฉลาดนี่ก็พยายามหาความจริงเพิ่มขึ้นก็เป็นผู้รู้เป็น professor เ, เป professor, เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะพอสามารถที่จะรู้มากขึ้นมากขึ้นความรู้ในระดับขั้นต่อมานี่ท่านเรียกว่าพยายามเข้ามาหาธรรมชาติพยายามเข้ามาหาความจริงให้มันมากความรู้ วิชาระดับขัน้นนี้ท่านเรียกว่าความรู้ระดับ epistemology เป็นความรู้ระดับยานวิทยาเขาเรียกทางภาษาศัพท์ศัพท์ภาษาไทยเขาบัญญัติเขาเรียกยานวิทยายานยอยหญิงสลานอเนนเนีย่ยานวิทยาภาษาอังกฤษเขา epistemology คือ e-p-i-s-t-e e, เนี่ย สกุตรงตัวเนี่ยโม e พิสเทโกับ o g จีเอเนี่ยถ้าเรียกยานวิทยาหรือความรู้ที่ค้นข้าหาความจริงค้นข้าหาธรรมชาติหรือจริงๆก็พยายจะเรียนรู้ก็ไปถึงธรรมทติธรรมท่าทางจิตวิญญาณให้มันสูงสุดแต่มันยังรู้ไม่ถึงก็เลยมีความรู้แค่ e พิสเท m มโล g y ทีนี้สิ่งที่เรากําลังจะเรียนเนี่ยมันเป็นความรู้ของพระเจ้าที่ท่านรู้หมดแล้วถึงต้นธาตุต้นธรรมแล้วท่านก็ทําให้ต้นธาตุต้นธรรมนี่เป็นต้นธาตุต้นธรรมที่บริสุทธิ์ได้และก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีและไม่มีเป็นผู้ที่มีอย่างอาศัยอาศัยความมีไอความมีนั้น คืออัตภาวะของอรหัตตะเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับอรหัตะหตะอรหะแปลว่าไม่ลึกลับไม่รับมือลึกลับแล้วท่านรู้แจ้งในอัตตาหมดแล้วอัตตาของท่านส่วนอัตตาของผู้อื่นท่านก็ประมาณเอาก็สามารถพอรู้ได้ว่าอัตตาของเขามีบ้างไม่มีบ้างมีอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเพราะมันจะพออนุมานหรือประมาณได้ หรือสามารถสามารถที่จะเข้าไปมีพลังงานที่สามารถจะเข้าไปตามอย่างรู้ในบุคคลคนนั้นคนนี้นั่นแหละมีได้แต่ยากมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ชื่อว่าเป็นวิชาเป็นได้แต่มันสร้างเป็นวิชาหลักฐานมีเหตุมีปัจจัยสามารถที่จะมาสอนได้เลยพระพุทธเจ้าไม่เอา แต่มันจะมีได้มีได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนที่มีความสามารถระดับหน้าระดัเช่นพระพุทธเจ้าเองก็ตามแล้วแต่แม้ท่านจะสอนคนอื่นท่านก็ไม่ไม่รับรองง่ายๆท่านถึงบอกว่าไม่เอาอันนี้ทำตามที่ท่านสอนนี่แหละถ้าได้ประโยชน์ได้ผลจริงนะมันจะมีสินิตามมาเป็นผลพลอยเป็นบาย d u c t เองเป็นผลพรพลอยได้มาเองตามตามตามตามสัจจะความจริงนะ เมื่อสามารถมีต้นธาตุต้นธรรมที่บริสุทธิ์ได้แล้วจึงพาคนทาได้หรือสแสดงความจริงออกมาได้เป็นปรากฏการณ์เป็นฟิโนเมนอนฟิโนเมน่าทาพหุพจน์ฟิโนเ ม, น, โ น, โม น, น่านะพใช้ตัว PH ไม่ใช่ตัว F PHE, NOME, NON ถ้าฟิโนเมนาก็เอ็นเอพีเอชอีนออมอีเอ็นเอฟิโนเมนาฟหมายถึงปรากฏการณ์หรือหมายถึงว่าข้อเท็จจริงความจริงสิ่งที่จริงปรากฏภาษาบาลีก็เรียกว่าปาตุภาวะหรือปาตุสัจจ หรือจะเรียกว่าภาวะสัจจะก็ได้ภาวะก็เป็นสิ่งที่ปรากฏปาตุก็ปรากฏปาตุภาวะหรือปาตุสัจจะหรือสัจจะภาวะเป็นปรากฏการณ์ที่จริงวโนอบอนี่คือวิชารามที่สอนฟิโลมโนโลยี ฟิโนเมโนโลยซึ่งเลยขั้นอ p พิส e m โมโลยีขึ้นไปอีกขั้นหนึง่งคือขั้นรู้จักจิตต้นท่าต้นธรรมรู้จักต้นทาต้นธรรมและสามารถทำต้นท่าต้นธรรมนั้นเป็นธรรมะบริบูรณ์เป็นธรรมะที่ไม่มีอธรรมอีกแล้ว จึงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมจริงที่เป็นต้นรากของมโนโปุพังขมาธรรมาออกมาเป็นกรรมกิริยาทั้งหมดอย่างซื่อสัตจจริตและประเสริฐเท่าที่ท่านมีบา ร, รมีจะไม่มีมโนสัญเจตนาและจะไม่มีเจตนาใดเลยที่ท่านจะเจตนาทำ เพื่อให้มันเกิดกรรมชั่วใดๆผู้ที่เป็นอรหัตตาหรืออรหันแล้วอรหัตตาก็คืออัตตาอันไม่ลึกลับอรหันก็คือไอความมาลึกลับถึงที่สุดอรหะบวกอันตะอันตับแปลว่าปลายสุดสุดแล้วถึงที่สุดสูงสุดอรหัตตาที่จนถึงอรหันคืออรหะอัตตาอันตะส่วนอรหัตตะกอรหัตตหรืออรหัตตานี่ก็คือ อัตภาวะของผู้นั้นท่านรู้ของท่านแล้วของคนอื่นก็พอรู้อย่างที่อธิบายไปแล้วเท่าที่จะมีบา ร, รมีสามารถยังรู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้เยอะอย่างอัตมานี่ไม่พูดหรอกว่าอัตมาจะไปรู้จิตคนนั้นคนนี้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าอัตมาจะยังรู้จิตใจพวกคุณแต่มันรู้โดยบังเอิญหรือมันรู้โดยพอสมควรกับเรื่องของอัตมาอัตมาก็ไม่สามารถจะไปรับรองตนเองได้ว่าผิดหรือถูก อาจจะรู้ไปโอ้รู้ยังงันแหละผิดก็ได้อาจจะถูกบ้างก็มีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะไปถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดหรืเก่งสุดเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ที่อาตมากําลังบัญญาตนี่คือการอยู่ในโลกในสังคมมนุษย์หรืออยู่กับสัตว์โลกนี่ถ้าจะเกิดเป็นคนอยู่แล้วเป็นคนชนิดนี้นะเป็นคนชนิดเป็นอรหัตตาหรือ อ, อ, อ, อรหันเนี่ย และคุณจะเกิดอีกก็ได้เพราะคนที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีวิมุตต์แล้วเนี่ยเป็นอมตะชนเป็นอมตะบุคคลเป็นคนไม่ตายก็ได้ถ้าจะตายอย่างที่เรียกมันเรียกตายเราเรียกว่าเลิกเลยเ ป, ปปลเป็นปรินิพานเป็นปริโยสารก็ได้จะททำแลกกับฟื้นไม่ได้นะถ้า ป, ปรินิพานเป็นปริโยสารแล้วจะกลับมาฟื้นอีกทีนึงไม่ได้ ต้องเลิกไปเลยเลิกแล้วเลิกเลยถ้ายังไม่เลิกก็ยังไม่ตายที่ยังเรียกว่าอมตะแปลว่าไม่ตายแต่เป็นผู้ที่ตายสุดเด็ดเลยเพราะว่าท่านทำให้ตัวต้นท่าต้นธรรมนั้นมันตายก่อนแล้วคือเหตุที่มันพาอยู่ในโลกยึดโลกเพราะรู้สมุดไทยของความเกิดโลกสมุดไทยของความมี เพราะงั้นถ้ า, าเหตุคุณดับเหตุตัวเนื่อยังไม่ได้คุณยังเป็นคนมีเลยโ ล, โลโกเกณะนาทิตาซาะโฮติเป็นคนที่ยังไม่มีไม่มีความเป็นโลกไม่มีในโลกมีสมุทัยอยู่ ถ้าคุณไม่มีสมุดไทยแล้วเป็นโลกนิโรธโลกนิโรธเนี่เป็นผู้ที่ดับสมุดไทยดับเหตุที่จะพาทำไม่ดีทั้งหมดได้แล้วตามหลักปริยสัจและมันจริงมันไม่มีจริงๆเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ที่สมควรจะมีเป็นผู้มีอาศัยสิ่งมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองอย่างที่อาศัยตามที่ท่านขึ้นตนว่าสิ่งอาศัยสองอย่างนี่แหละคือมีก็ไม่มีนี่แหละความไม่มีกับความมีนี่แหละซึ่งจะต้องรู้ว่啊 และจะมีอะไรมียังไงทําไมต้องมีอา้าวก็มีมันดีมีแล้วก็มันก็ท่านไม่เป็นภยัยไม่พิษแต่ใครเลยมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์คุณค่าจะมีเป็นนานเท่าไหร่แล้วผู้มีคนนี้แหละเป็นอมตะบุคคลสามารถที่จะจะอยู่ไปอีกนิรันดร์ไม่ตายเลยอมตะเท่าไหร่ก็ได้แต่ท่านจะตายท่านก็รู้จักตนธานตุตนธรรมแล้ว ถ้าจะปรินิพานเป็นปรโยศานเมื่อไรเราก็ได้แล้วผู้ที่ได้ฟังเนี่ยอตมาอธิบายฟังเนี่ยเป็นคุณไปหาฟังที่ไหนไม่ได้แม้แต่ในพระเถรเปดกเองก็ไม่มีไข ค, ความนี้มีแต่เพียงว่าท่านตรัดไปในปมูลสูตรว่าคนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้มูลสูตรสิบ ต้องมีฉันทะก่อนยินดีก่อนเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเรียนที่นี่ต้องมีฉันทะมีความยินดีพอใจที่จะมาเรียนแม่มันจะฟืนแม่มันจะยากโทนเอาถ้าไม่ทนคุณก็ไม่ได้เรียนนะเพราะคุณต้องมีเชื่อความแม่มันน่าดอยนะยินดีต้องพอใจมันจะหนักหนาสาหัสเท่าไหร่คุณก็ต้องมีตัวนี้เป็นตัวดันถ้าไม่มีตัวนี้ไเลยยิ่งมองว่าไรสาระ เนี่ยนอนก็ออยังมาเรียนเลยอาตมาจะลำบากอขอไว้ก่อนเถอะมีกี่คนก็เอาแค่นั้นนะเพราะคนที่มีความยินดีและภาคเพลินแล้วเนี่ก็ยังช่วยกันไม่ใช่ง่ายเท่าไรทีนี้อันที่สองขโมระสูลเนี่ยมนาศิกานต้องทําใจในใจเป็นนี่สำนวนของอาตมานะทำใจในใจเป็นเนี่ยไม่มีหรอกนะไปตัวปรโยงที่เขาแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้ไม่มี มีแต่เข้าไปแปลมณสิกานี่มันมีคําที่กํากับว่าถ้าคุณทําเป็นเนี่ยถือภาษาที่เต็มๆนั่นเรียกว่านิโสมณสิการเรียกว่าทําใจในใจเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นดีไม่ใช่มันเป็นชั่วนะนี่ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเนี่ยต้องอย่าไปโมเมละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าต้องหมายถึงมันเป็นดีเป็นอะไรมันทําใจในใจมันเป็นใจมันมันเกิดพัฒนาดีขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆทาใจได้ทําใจเป็น ไอ้ที่บทำใจทำใจนั่นก็นลำลองแต่นี่มันไปมียานปัญญาอย่างรู้เข้าไปถึงตรงนั้นเลยสามารถเข้าไปอย่างสัมผัสจิตวิญญาณของเราเลยแล้วก็แยกมันออกว่าอะไรที่เป็นตัวไม่ดีเป็นตัวเหตุไม่ดีแล้วก็ประเด็นที่คำว่าโยนิโสมนสิการก็คือมนสิการคือทำใจในใจ ถ้าคุณทำใจในใจไม่เป็นทำใจในใจมันทำอยู่แล้วใจมันทำการของมันอยู่แล้วการของมันการสิกการมณสิแรีว่าที่ใจในใจมณสิการะคือมันทำมันมีพฤติกรรมของมันอยู่แล้วแต่คุณนี่มียานเข้าไปจัดการมันจึงเรียกว่าสังขารอภิสังขารคุณไปจัดการกับมันสังขารนี่คือการจัดการการปรุงการแต่งการทาการจัดการ เพระเาะคุณสามารถเข้าไปจัดการกระจายองินได้จริงๆไปอภิสังขารนะจริงๆเมื่อทำได้และรู้เลยว่าคุณจะต้องจัดการไม่ต้องไปจัดการอื่นน อ, อกจกากเหตุนี่แหละตัวเหตุพิลานี่แบ่งทำเป็นตัวๆไปตัวต้องรู้ตัวนั้นตัวนั้นเรียกว่าส ก, กายะองค์ประชุมที่มันเกิดจากทุกอย่างธาตุที่เกิดจากองค์ประชุมทั้งนั้นอกุรสธาตุตัวนี้คืออกุรสธาตุจิตจิตธาตุอกุรสแจิต จิตธาตุตัวเนี้ยคุณจับตัวนั้นตัวใดที่คุณรู้ได้สักกะแปลว่าของตนกายะแปลว่าองค์ประชุมของตัวนี้แหละสักกายะตัวใดที่คุณจะสามารถจับได้เป็นตัวต้นนั่นแหละคือตัวนั้นหรือตัวหยาบตัวนั้นะจับให้มั่นแล้วพิสูจน์ตัวนี้แหละทําให้มันุษละจางคลายมันเป็นตัวผีมันเป็นตัวร้ายมันเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดไม่ดีถ้าคุณพิสูจน์ได้ตัวนี้ก็คําทํา หรืออัตภาพบางคนให้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเมื่อรู้วิธีนี้แล้วคุณก็ทำต่อเมื่อทำตัวนี้ได้ทำตัวต่อไปทำตัวต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไ ป, ไปจนมันหมดอกุศลาธาตุอกุศลจิตจิตธาตุที่เป็นอกุศลคุณทามันหมดได้คุณก็หมดตนหมดตัวตนที่คุณจะต้องจัดการ นี่เป็นวิชาการของพระุเจ้าเมื่อตัวนี้เป็นต้นธาตุต้นรมแล้วเป็นต้นธาตุต้นทางในพฤติกรรมทั้งหลายกรรมมณยามทั้งหลายเกิดจากต้นธาตุต้นธรรมนี้มโนปุพังขามาธรมามโนเสทถามโนมยามโนเสทถาเสถาแปลว่าดีประเสริฐพัฒนาการพัฒนาในแหละเสถโทเสถาจเจริญพัฒนาขึ้น และไปสู่ความสำเร็จมโนมยาสำเร็จด้วยจิตจิตตัวเนี้จุดติประานนี่ทาได้สำเร็จแล้วก็พาเจริญแล้วก็พาไปถึงที่จบจบมีความจบในงานมีความจบในกิจมีความจบในคุณค่าความดีนั้นๆโดยเฉพาะมีความจบในการสร้างคนสรรค์่าสร้างคนให้เป็นคนประเสรศิฐสุดเป็นอริยะถึงขั้นอรหรัน เพราะฉะนั้นจะอยู่ช่วยโลกก็ช่วยคนให้เป็นอหรหันต์เพราะมันเป็นทั้งตัวสร้างและตัวทำลายที่ร้ายที่สุดในโลกทั้งโลกโลกใบไหนที่มีมนุษย์มนุษย์นี่เป็นตัวเลวร้ายที่สุดที่มันทำลายเพราะฉะนั้นช่วยมนุษย์สรรค่าสร้างคนขึ้นมาให้มันเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่อย่าให้เป็นภัยเป็นโทษให้แก่ใครใ ไม่เป็นโทษต่อตนต่อท่านจงกระทั่งต่อตนไม่เป็นภัยต่อตนละก็ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เป็นโทษต่อเป็นภัยต่อใครเลยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นงานที่ควรทำที่สุดที่อาตมาเห็นแล้วว่าโอ้โหอาตมาเกิดมาตั้งสาสหกปีไปเสียเวลาอยู่ไปโอ้โ ไปเสียท่าโลมันครอบงาลิงลมมุมกระพองชีวิตเลยไปเกิดชั่วไปเสียท่าเป็นชีวิตชาติชั่วอยู่พักหนึ่งไปสร้างความเกิดที่ชั่วไปแย่งลาบแย่งยศแย่งสันเซิญดีไม่ดีทุจริตบ้างนิดๆหน่อยๆดีอัตมามันมีบุญตรงที่ว่ามันไม่ทำระบาปมันทำแต่กุศลมันก็เลยมีโลมันครอบงาก็ทาไป ตาปรัษาที่ยังไม่ตื่นเต็มยังลิงลมอมก็พองอยู่ก็ทําไปมันก็เป็นวิบากนะทำไปแล้วไม่ปฏิไม่รับไม่ได้เราทํามันก็ต้องเป็นสิ่งที่เสริมอยู่แต่ทําไงได้มันยังไม่ตื่นมันยังไม่รู้มันก็เลยทําไปตามลิงลมอ ม, มก็บอกมีทั้งหน้าไม่นซับซอ้อนเป็นความซับซ้อนของสิ่งที่หมุนเวียนใะนนี้เป็นเรื่องในขั้นโพธิสัตว์ภูมิก็สอนกันแต่เอามาเล่าสู่ฟังไม่รู้ก็จะไป สงสัยปล่อยทิ้งไปผู้นีฟังเท่านั้นเป็นบุญหูก็พอแล้วฟังไว้เท่านั้นก็พอแล้วเพราะนั้นเมื่อเราเองเราสามารถที่มีวิชาการนี้มีความรู้นี้ได้แล้วนี่มันเป็นหลักประกรันของชีวิตอัตภาพจิตนิยามมงคลเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดอยู่ในมหาจักวานในโลกลูกใดลูกหนึ่ง พลังงานอตตะภาวะอันนี้ของสัตว์โลกตัวใดตัวหนึ่งต้องเรียกตัวเลยถ้าเป็นอรหันต์แล้วมันมีหลักประกันชัดเจนเลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในโลกทุกไปแล้วอยู่ในมหาจักรวาล น, นี้ซึ่งมันคุณไม่รู้ได้พระโพธิสัตว์องค์ใดที่อาจจะสูงอาตมาอาจจะมีท่านองค์ที่กาลังไปรอเดี๋ยวมัอุบัติเป็นมุนุติเจ้าอยู่ ถ้าอยู่ที่ไหนไม่ปรู้เออถ้าท่านไปไปอุบัติในโลกไหนเอาก็มีที่โลกนั้นน่ะมีแต่ที่นี้เราก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเพราะโลกอยู่ในมหาจักรวาลนี้อยู่ในเอกภพนี้มันมีต้องไม่รู้เท่าไหร่ล้านลูกไม่รู้กี่ล้านล้านลูกเลยไปรู้ได้ไงเกิดอยู่ที่ไหนก็ไปเกิดสิเพราะในมหาจักรวาลนี้มันมีทุกอย่างพระพุทธเจ้าอยู่เกิดอยู่โน่นนู่นนี้จึงไม่รู้กี่ล้านล้านล้าน writing, ปีแสน เราไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในมุมไหนไม่รู้เพราะงั้นเร็วจะไปจะมาอะไรจะอยู่ตรงนัง้ น, นี่มันก็ไปทั่วไม่มีที่อยู่จินตญาณไม่มีที่อยู่อยู่ที่ที่ท่านอยู่แต่หลักประกันที่เป็นอนาัาตตผลและเป็นโพธิสัตว์ก็มีแต่จะโลกกวิทูเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองสิ่งที่ท่านยังไม่รู้โลกอันที่ท่านยังไม่รู้ไอ้สิ่งที่ท่านรู้แล้วท่านก็ทาประโยชน์กับกเขาไป ไอ้โลกใหม่ที่ท่านจะท่านบ้างก็ศึกษาต่อผสมประ ส, สานกันไปจะเรียกว่าการศึกษาของโพธิสัตว์ก็ใช่จะเรียกว่าจบกิจในการประโยชน์ตนหมดเป็นอรหันต์แล้วก็ใช่ตั้งแต่อนุโพธิสัตว์ขึ้นไปจนถึงอนิจจตาโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์จนกระทั่งถึงอุตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือปัจเจกปัจเจกแลก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมโพธิญาณนั่นก็เป็นอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พูดถึงมูลสูตรเมื่อกี้ก็ต่อกให้ให้ให้ซ้ำอีกก็พูดมาหลายเที่ยวแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณจะปฏิบัติหลักตามพระเจ้าแล้วจะทำใจเป็นหรือเมื่อรู้ทฤษฎีในการมณสิกาแล้วต้องสอนมณสิการก่อนคุณงานี่มีฉันทะมา อัตามาก็สอนมณสิการก่อนให้คุณทําใจให้เป็นก็สอนนี่แหละพอเป็นตอนพุทธศาสารตร์ก็จะสอนแล้วแม้แต่ความรักสิมิติก็จะสอนให้ทำนั่นแหละสัรคาสร้างคนก็ทําเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรไปจากกรรมหรอกสอนเรื่องกรรมนั่นแหละให้ทําทําอย่างนี้แล้วมันก็จะดีขึ้นจะเจริญงี้ชำระละลางงี้ไปละล้างกิเลนนั่นเอง เพราะถ้าคุณทำใจเป็นมณสิการเป็นเท่าที่คุณจะทำได้อย่างน้อยที่สุดจะต้องรู้องค์ประชุมสักกายะของจิตเจตสิกต้องรู้เนี่ยต้องอย่างรู้ได้ถูกรู้โดยตนเรียกว่ารูปรูปรูปของนามมาทำเป็นนามมารูปบางคนที่ยังไม่มีญาณที่จะอ่านนามมารูปได้ ดู อ, องประชุมของนามด้วว่านามากายก็ตามคุณก็ไม่สามารถที่จะทำมณสิคือตัวนามมาทมที่ใจเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะทาทำอย่างมีญาณมีปัญญารู้จักวิธีมอรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติรู้ตัวการในวิส ก, กายะที่จะต้องจัดการมีหน้าที่เป็นนักฆ่า พระพุทธเจ้าสอนให้สอนวิชาการนักฆ่าแต่ฆ่ากิเลสเท่านั้นไม่ไปฆ่ายัางอื่นต้องไปอ่านเพลงเนื้อเพลงกองทัพพุทธธรรมเป็นนักฆ่าเขาคือจอมแห่งยุทธ อ, อาวุธคือมูปลอบเปล่าฆ่าตนเองก่อนอ เป็นคนที่ฆ่าตนเองก่อนฆ่าตัวตนในตัวตนก่อนเนี่ยพอเราฟังแล้วก็จะกลายเป็นพวกโอ้โหพูดไม่ใช่ภาษาคนแล้วใช้ภาษาเทพพูดกันในภาษาเทพแล้วพอฟังแล้วก็จะต้องเข้าใจกันสื่อกันมกําหนดรู้กันไดน้เมื่อทำใจเป็นแล้ววิธีปฏิบัติเริ่มต้นก็คือมีพจน์ั เป็นสมุดไทยเพราะการปฏิบัติของคุณต้องมีผัสะเป็นเหตุให้ศึกษาเป็นเหตุให้ปฏิบัติสมุดไทยตัวนี้ไม่ใช่เหตุของอริยสัตว์ไม่ใช่เหตุตัวที่ไม่ใช่เหตุหตัว ท, ที่สองของอริยสัตว์เหตุคือตัณหาตัวนั้นคุณจะต้องรู้นะั่นนตัวตัวสกายตัวตัวการที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วมนณาสิกาเนีต้องจับตัวสกายะตัวอัตตา อัตตาตัวแรกอัตตาตัวสำคัญที่คุณจะจัดการกับมันของตนสักกะองค์ประชุมของนามธรรมตัวไหนนะคุณก็ทำไม่ได้ตัวนั้นแหละมันลดลงมาแล้วเนืเอกลางเหลือปลายเลืออนุัยหมดสิ้นตรวจสอบด้วยอรูปฌานสี่หมดสิ้นจนกระทั่งมันดับแน่มันวมุมุดสมบูรณ์มันนิรวตเด็ดขาดคุณก็ตอบตัวเองได้นะ เพราะงั้นในหลักปฏิบัติของพุทธจึงต้องมีผัรษะเป็นสมุดไทยไม่มีภัรษะไม่ใช่การปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบอาจจะทำด้วยวิธีอื่นข้างเคียงอะไรตอะไรมาลดละไปยังไม่สามารถรับรองอไม่สามารถที่จะรับประกันรับรองได้ว่าสมบูรณ์แบบ ต้องมานี่แหละที่อาตมาอธิบายอธิบายต้องมีวิโมก8ดสัมผัสต้องสัมผัสนี่แหละต้องมีสัมผัสนี่แหละสัมผัสวิโมกขแปดได้กายแล้วก็ต้องรู้ทั้งในและนอกเพราะต้องรู้นอกกายนี่ยมันต้องมีนอกเป็นหลักถ้าขาดจากนอกแล้วไม่เรียกไม่เรียกว่าสมบูรณ์ได้กาย ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในโสดาบันก็สัพพัดนอกและกละแล้วก็ต้องสัพพัดนอกอยู่นั่นแหละแล้วมันไม่มีกิเลสรู้เมื่อสัพพัดนอกนี่แหละรู้ชัดเจนว่านี่กิเลสเป็นสกิทาก็ตามเป็นอนาคาก็ตามก็สัพพัดนอกอยู่นั่นแหละแต่กิเลสยาพกข้างนอกนี่มันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะพิสูจน์ด้วยการสัพพัดตลอดเวลาเลยจนเป็นพระอรหันต์ จึงสัมผัสโลกอยู่กับโลกอยู่ยเนือโลกโล ก, กุตระตลอดกาลนานไม่ต้องหนีเลยหลักธรรมของผู้ที่สอนมาก่อนเป็นหลักที่ยืนยืนยงคงทนอยู่ในโลกนี้คือโลกไม่เรียนรู้แบบพุทธคือโลกเทวนิยมไม่เรียนผัสษะนี้ไปอยู่ในอัตตาอยู่ในพบเสร็จแล้วก็ไปหลงสร้างพบอยู่ในจิตพวกนี้ต้องมาแก้ยากยากเพราะยึดพบแล้วก็ไม่รู้จะพบ ไม่รู้จากชาติของจิติตไปสร้างพบเพิ่มมันมีแต่ตนเต็มตัวเลยอย่างดูสีชีพเรนี่ตัวนเต็มขี้ขยายละลายตัวตนไม่เป็นมีแต่ข่มตัวตนไว้ได้เก่งมากเลยข่มไว้หมกไว้หมักไว้พระพุทธเจ้าถือว่าการหมักนั่นคือหมักหมมเน่าในโดยมันเป็นอาสวะ ตัจิตที่มันอยู่เป็น unconscious เนี่ยมันเป็นอาสวะมันเหมือนน้ําหมักดองที่มียี่สปีเชื่อเป็น potential energy ซึ่งคุณไม่รู้มันหรมันทํางานอยู่โดยที่เรามันเหมือนมันไม่มีเป็นพลังงานศักดิ์เหมือนมันไม่ได้ออกฤทธิออกแรงมันนิ่งแต่มันไม่ได้นิ่งมันมันชีวะมันไม่ได้นิ่งเป็นชีวะเลยมันก็ต้องทํางานมันต้องมีบทบาท มันต้องมีการเคลื่อนไหวไอสัตว์ไม่ดีมันจะเคลื่อนไหวไปดีทุกตรงไหนมันก็เคลื่อนไม่ดีมันก็แตกตัวมันไม่ดีมันจะทํางานยังไงมันนามันเนี้ยมันนามันนายะตะนาธรรมายะตนะข้างในมันทํำยังไงมันก็แตกตัวออกลูกออกหลานไม่ดีอยู่ทั้งนั้นนหะไอตัวยีสพวกเนี้ยก็เชื่อยี่ส์ตัวเชื่อนี่มันเชื่อไม่ดีแล้วอะแล้วมันจะไปออกลูกมาเป็นเชื้อดีได้ยังไง แล้วมันทํางานคุณไม่รู้คุณรู้ไม่ ร, มรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนรู้ลึกเข้าไปหาแล้วก็ไม่มีสูตรในเรียนลึกเข้าไปหาอสวะได้เรียนรู้เข้าไปหาอันอันก่เได้พระพุทธเจ้ามีวิธีกระแทกมันออกมากระแทกมันออกมาแล้วก็เกิดยานสว่างเข้าไปถึงวิธีของพระเจ้า เพื่การไปนั่งหลับตามันากันยิ่งดันมันลงข้างล่างยิ่งดันมันลงไปในเหวในหุบในลึกที่หายไปคนยังไม่รู้มันใหญ่เลยยิ่งมืดยิ่งดับยิ่งดิ่งเป็นดึงวิธีที่ผิดแต่วิธีถูกของพุทธเจา้าหนึง่งกระแทกออกมากะแทกออกมาอย่างรู้แจ้งมีแสงสว่างมีอาโลกามีจักษุมียานมีปัญญามีวิชามีอาโลกามีแสงสว่างนิโรธอย่างมีแสงสว่าง จากขุมมาปรินิปุโพตินิพพานยังมีดวงตาดวงตาเปิดนี่คือสัจจะของพระพุทธเจ้าเฮ้ยนาฬิกามันแหมมันไม่ไม่ไม่เคยพักเลย น, ะนาฬิกาเพลอหน่อยเดียวเลือกไปดูยี่สบนาฬิกาบสานาทีแล้ว ขออำไพยหุ่นตระกูลอ่ออก็เอาไว้พรุ่งนี้ก็ต่ออยู่เพราะว่าอาตาร์มาสอนทุกวันอยู่แล้วตอนนี้ก็แต่ก็ค่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปวันอาทิตย์ไม่ได้สอนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปลงไปงานเด็กหอบแย่ไปพรุ่งนี้ไปนู่นไปยะโสทรไปยะโสทรกลับมาก็ ก็คงแม่ก็เดินทางก็เหนื่อยแล้วเนาะหอบเย็นเย็นก็เลยไม่ได้สอนนวันอาทิตย์ด้วยอาวันอาทิตย์ก็เช้าแต่พรุ่งนี้แทนที่จะบรรยายเช้าขอย้ายไปบรรยายที่นุ่นแหละอาน ะ, ะป่าติ๋วสวนธรรมชาติป่าติ๋วนุ่นพรุ่งนี้ต้องไปเดินทางแต่เช้าอ่า ก็ไม่ต้องเฮลโลตรงหัะเรกันไปหรอกพอพูดไปแล้วก็เฮ ล, ลโหลหัะเรกันไปแล้วหนีห้องเรียนเดี๋ยวกิจการกิจกรรมเพิ่งจะเริ่มต้นไม่มีรถให้ไปด้วยเขามีรถเองนะที่ข้อสำคัญนะดูหมาดกันซกได้มีรถเองนะรถจั ก, กรยานนะ อ่ะเอาละสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนลักก็จะได้ว่ากันต่อไปเรียนกันต่อไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนดีๆนะคิดว่าฟังแล้วรู้สึกรื่นเรองในี่ยทำมั้งไหมอ่ก็ดีนะแต่บางวันอาจจะไม่สนุกเท่าเพราะว่ามันอาจจะวนซ้ำที่ได้พูดมาแล้วก็รู้สึกว่าคนที่มีอัตตาและมีปัญญาฉลาดเนี่ยคิดว่าอัตตาจะสูงพูดซ้าพูดรู้แล้วนะเอาใหม่หน่อยเถอะ อาตมาก็ยังไม่ออกก็คนต้องเห็นใจคนอื่นบ้างคนเขาช้าเขารู้ได้ช้าก็เห็นใจเพื่อนฝูงบ้างตัวฉลาดเร็วรู้เร็วแล้วก็อัธนามันจะได้จำได้รูซ้ซ้ำซ้ำไม่เสียหายหรอก อ, อย่ามีจิตรังเกียจเลยนะซ้ำซ้ำก็มันก็จำได้ดีมันก็ผนึกลงไปได้มากเพราะงั้นก็อย่าเป็นรังเกียจในการฝังซ้นะ อ่ะวันนี้ก็พอจเจริญธรรมทุกคนเอ๊ะทำไมมันไวจังเลยเอเฟอร์ น, นาฬิกาดูครั้งเดียวเลยนะไม่ได้ดูตอนนั้นตอนนี้เท่าไหร่เอ๊ะดูเมื่อดูเจอครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนทุ่มทุ่มเสร็จ ตอนตุ้มเศษๆดูครั้งหนึ่งแล้วไปปล่อยไปอีกทีหนึ่งอ้าวดูอีกทีหนึ่งสองทุ่มกว่าฝนตกพ้ฝ น, นตกเพราะว่ามันเป็นอุปสาาารรคมาไม่ค่อยราบรื่นใะนแทนที่จะส่งเสริม